จเจรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนา <c oughs> ท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมก็ขอเชิญเข้ามาร่วมกันได้ <c oughs> <c oughs> เด็กชายพีเครออยู่แล้วเข้ามาเลยพี PK. วัสดกรครับพอาจารย์มัสดกรด้วยค่ะอาจารย์วันวันนี้ครับอาจารย์ตอนแรกกะครับไปเก็บหอยทากมาครับมันอยู่ที่ดินนะครับแล้วก็ตอนที่อยู่กับอยู่กับแนเนี่อครับแล้วก็ตอนที่แม่กลับมาครับ อืาเขาบอกว่าไอเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งตัวที่สะอาดนะครับสัางอะไรไอหอยทากตัวที่มันสะอาดอะครับเนาะสั่งมาทําไมอะเพราะว่าไอตัวที่ไปเก็บมาจากดินมันสกปรกอะค่ะพัดจันเออะนั่นเรูจะเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาเป็นสัดเลียงครับพัาจย์เนาะ เลี้ยงได้แล้วเลี้ยงได้ครับมันกินอะไรลนะมันกินกล้วยครับตอนนี้ยังกินอยู่เลยเรายังกินกล้วยอยู่เลยดูดกล้วยเหรอครับอาจารย์อ๋อเก่ง ม, มากดีมากทอมีตาเขาเนีต้องเลี้ยงดูให้เขาให้ดีนะตอนนี้เขาเป็นเบบี๋อยู่ครับอ๋อมันหนูอลไรย่ะหนูก็เป็นเบบีว<ม>๋วน่ะอือนึกหนูโตแล้ว อ้าก็ตอบสิลูกคิดแวงไงลูกก็ตอบไปตามที่ลูกคิดทั้งสองค่ะพยอจอยทั้งเบบี้ทั้งโตเลยใช่อ <c oughs> ตอนหนึ่งขวบสองขวบสามขวบเป็นยังเป็นเบบีอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วคะพาอารยอันนี้เป็นอะไรนะอืพี่ค่พาอารยเป็นพี่แล้วหรอกี่ขวบแล้วตอนนี้5้าขวบแล้วค่ะพาา่อโอย เก่งมากเก่งมา ก, มากาหนูจะเลี้ยงเขาไปนานไหมอืมถ้าเขาอยู่ได้ทั้งชีวิตก็จะเอาให้เขาอยู่อย่างนั้นเลยครับแน่นอนนะเพอเดี๋ยวเขาก็จะวางไข่แล้วก็จะมีอีกเยอะๆเลยะครับเพราะเขาจะวางไข่นี่หนนรู้มาจากที่ไหนใครบอกหนู ร, รู้ๆมาจากที่ไหนว่าเขาจะวางไข่ครับอาจารย์ถามเขาว่าวพราะทุกอย่างวางไข่น่าหนูก็บอกไปสิครับเพราะทุกอย่ยงว า, วางไข่ครับพาเจนเหมือนว่าทุกศสตวางไข่ทุกศาสตร์ต้องมีลูกอย่างนี้เลยใช่คาารับพาเจนแ้าต่อไปหนูก็ต้องมีลูกสิงั้น<ด>มีปะมีคพาารพ่อจ๋า แ <laughs> น่ใจนะดีมากคะ่ะจะมีรูปป่ะคะอาจารย์ถ่ายมาตอนโตอ่คะค่ะมีข้อพ่ออาจารย์อ๋อดีมากหนูต้องรักลูกก็นะหนูต้องรักตัวทางนี้นะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีนะโอเคขอพ่ออาจารย์อ่าหนูจะได้บุญนะถ้าไอทำถ้าไปทำร้ายก็นะทำร้ายก็ได้บาปนะ ทำอะไรเขานะโอเคครับพ่อจอร์โอเคมีควา ม, วามสุขกับเขาไหได้เข้ามามีความสุขไหมได้เข้ามามีความสุขไหมคะอาจารย์คะเออยังไม่รู้ครับพ่อจอร์นเนี่เออมาทมําไมทำไมรู้อาจารย์ถามว่าหนูมีความสุขไหมคะที่ได้ขึ้นมาหนูมีความสุขไหมคะที่ได้ตัวนี้ตัวนี้เออตัวตัวหัวขเนี้ยค่ะ มีความสุขครพ่อจอห์อ่ามาโชว์ให้คนอื่นดูหน่อยได้ไหมได้ไหมอ่าจับมาอ้าวฟ้องด้วยมือเนี่ยอ่าได้จับที่นี่จับมาทั้งนี่เลยก็ได้อ่านี่ขอพ่อจอหยังกินกล้วยอยู่เอาไว้ใกล้ใกล้กล้องเลยโอเคใกล้ใกล้กล้องเลยเนี่ยครับอกินกล้วยอยู่เลยอ่า แล้วเขากินอย่างอื่นหรืยเป่าแล้วกินกล้วยอย่างเดียวนีเนี่ยเขากินอย่างอื่นได้ไหมครับวินผักครับกินผักได้ด้วยเลยใช่ครับ<ม>พ อ, อาจารยโอเคคือวันนี้เขาอยู่กับแนนนี่สองคนไปจับหอยทากในสวนนะคะพระอาจารย์เกือบยี่สิบตัวเลยหนูเห็นแล้ว่าโอ๊ยตายแล้วไปหยิบมาแบบเต็มเต็มกระปุกทั้งพกแวรเลยค่ะก็เลยบอกให้อใหเอาไปปล่อยะคะ่ะ อืเลยสั่งตัวที่เขาไม่มีปอลสไซดมาค่ะไอตัวบอลลัสที่ไม่มีปรลลัสติดนะคะอันนี้ไปสั่งที่ร้านก็มาอีกทีสั่งที่ร้านให้มาส่งไม่งั้นเขาไม่ยอมเอาไอ้ยี่สิบตัวที่อยู่ในกล่องกระเป๋าไปปล่อยค่ะแล้วไปปล่อยแล้วแลกด้วยตัวนี้มาค่ะอืมเก่งเนะี่ยหยมาได้ทั้งยี่สิบตัวกี่ตัวนะัะลูกที่สิบเจ็ดหรอสิ จิ๊ติ๊ไม่ใช่เ็ดสิบยี่สิบตัวยี่สิบตัวเอายี่สิบตัวครับผอาจารย์โอเคดีเลีเล้ยงให้ดีนะ <Okay. S 1> เลีงเข้าให้ดีนะโอเคครับอาจารย์โอเคครับอืมอ่าไปได้แนละ้วไปได้ไปดูของคุณต่อแต่ผอาจารย์บอกว่าต้องเลี้ยงให้เขาดีแปลว่าห้ามาเอาไปกินข้าวด้วยโอเคไหมครับ เมื่อสักครู่ชวนหอูไปทานข้าวข้างนอกจะเอาหอยทากไปด้วยให้ได้เลยค่ะระอาจารย์แจกยกทั้งกล่องไปที่ร้านอาหารค่ะหนูไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์อือประาพระอาจารย์แล้วก็แวะมาให้กําลังใจคุณหมอวีรพัน์ด้วยนะคะทําไมเนะ่ยที่ท่านนำเรื่องสาธารณสุขราคะบัตรทองเข้าไปพูดอค่ะ ก็ก็ดีทำทาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมนะค่ะดูแล้วน้าตาไหลเลยคะ่ะอ่าทุกคนจะได้มีการรักษาพยาบาลอเพราะทุกคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนใช่ค่ะดีมากๆเลยค่ะดีเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยคนจะถือว่าเป็นเป็นสิทธิ์ของทุกๆกคนแนมะ้ว่าจะรวยจะจนนะค่ะอืม ต้องคนลบชั้นให้หมดไปค่งย อ, อยากใช่ไหมคะ อ, มอย่า ง, างน้อยๆ <ไป S 1> ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะคะเราเราไปเปลี่ยนคนไม่ได้แล้วค่ะา<ข>อาจารย์เพราะทุกประเทศก็มีเหมือนกันหมดแต่ว่าสัดส่วนในการพัฒ น, นาแล้วก็สัดส่วนในการจะต้องใช้ของเขาก็แบ่งสั้นปันส่วนให้มันน่าจะแบบ ไม่ได้นาเกียดเกินไปก็ยังพอรับได้ค่ะรับได้ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะพระอาจารย์น้องคุณไม่เอารูปเดี๋ยวเด๋ยวนําท่วค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะไว้หาโอกาสไปกาบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะวันนี้มีเด็กเราคิวเยอะนะผู้ใหญ่ใจเย็นๆหน่อยนะเด็กคิวต่อไปเด็กอะไรเด็กชายเลนนะเด็กชายเลนรออยู่ มาเช็คไหมอ่ะเราอ่ น, อนนะ่กลับพระอาจารย์เร็วอ่ะรายงานตัวอะไรกับดีครับกลับแล้วกับพระอาจารย์ครับกับพระอาจารย์คร้วกเร็วเยร็วกับเร็วลูกอ้าวเลีนเยมาแล้วครับ <c oughs> ต้องเรียนกับดีดีลูกกลับดีดีค่ะโอเคอ่าต้องเรียนกลับดีดีครับออไเอ ใชรู้จักพระก่อนก็ยัมีพระสงฆ์โอเคครับกับนวมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอือเคะอ่าเล่นโชว์พระอาจารย์สิครับเล่นทำการบ้านห้องอะไรได้บ้างครับท่องอไรก่อนเอกไรลโซผ่านเทวะอะห้างซ้อมนาสพุทธทิชาจารานาซัมปโนสุกดโต้ลูกดวิทู อนุตั๋ลจุลิสัตยามังกาชลาติสัทธาเิวมนตต่อนะสางพุทธวัดีพักวัา พูดทางพ่อวานตังหลังวันเตมิอาอุ้ยสบ๊กลางพ่อบอกป๊เลยออเคสวาสดโตได้หรืเปล่าสวัสโตต่อได้ไหมครับสวาสดโตพ่อเขาวาตังทำมมันก็สารติสุปฏิตุปะสุปฏิเป็นวพเขาว่าตุวาตังโูสังคะนวเวอ่าน่ามตัสได้ไหยอุ้ยแลโมตัดสัได้ไ้มลูก ท่ามดตาสก็วัาตัวรหัสตัวสมาร์ตต่างปะเรออะท่านมดตาสาก็าว่าตัวรหัสตัวสมาส์ตต่าะเมดตสาก็วัดตัวรหัสตวสมาร์ตต่าะเรามีควา ม, ม, วามพดทธังทงสราังกร ะ, าะชาไม่ได้ไหมพูดอังกระไม่มมได้ค่ะาใจเป็นเแ้วมีความเจ็บแค่เป็นตามมาระโรควยตอนเจ็บได้เป็นต ตายเป็นธรรมดาแล้วลกก็ตายไปไมได้แล้วในคมผัสจะของสิ่่เรารักเป็นธรรมดาเป็นรรมดาลคนจาบความผัดผ่าไปไม่ได้แล้วลูกับความผับาไปไม่ได้ดีๆลูกโอเคมากนี่กี่ขวบเนี่ยกี่ขวบครับห้าขวบห้าขวบโอเค จะไม่ให้ดีท่องทุกคืนก่อนนอนนะจนอนสบายนอนหลับสบายแต่แม่ต า, า, าได้ไหมครับบุญกุศลบุญกุศลอะไรที่ขาปปาา้าเจ้าไดกระทำแล้ข้าปเจ้าขออุทิศกุศล น, น, นั้นแก่มนุษยชาตทุกภาษาทุกคนละโลกรวมทั้งฝ่ายกษัตรย์ทั้งหลายนในพวกทั้งฝ่า ขอมนุษย์นัางเอเไเป็นเพื่อนความเพื่อนทุกเพื่อนทกเกิดแก่เกจ็บใจด้วยกันทั้งหัวซานสิ้นจงอยาบจงอยามีเวรภายเลยอยาได้เพิกไปเปลี่ยนซึ่งแกล้กก็เลยขอจงได้คนทุกที่ความสุความสงบทั่วโลกทั่วกัรเชิญตเพตัเพศตตะ อเวลาอ่ะเพียรปัตตาอ่ะเพียรปัตตาอันนิคาสุขาอนันตานังปะริปาริอ่ะอรันตุโอ้ยมึงเก่งมากเลยชันก็าหนีช่องไม่ได้เลยทุกค่ะเก่งมากเก่งมากไม่กลัวเลยนะกล้าหาญมากไม่คิดว่าท่องได้ขนาดนี้ปกตินำนำเขา โอ้ยทองเองเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเก่งมากถ้ามีรางวัลจะมอบรางวัลให้นะรางวัลเขาทะลทองคาเลยโอ้โหนิ่งเลยแก็ตอนตอนมาขอพรเนี่ยพูดข้าพเจ้าอะไร็มาเจ้าอัศวกรเทเด็กเด็กเด็กชายเด็กชายเด็กปีพัก เกิดว่าที่ข้าราชการพี่2020บอกว่าเกิดตัวหารงานตัวขอให้หนูมีความสุขมากๆนะเป็นเด็กฉลาดเด็กดีนะเด็กเก่งนะอีกอะไรนะทำตัวน้าโมเขินค่ะไม่เขินวันนี้ใช่พี่เขินโอเคโอเคนี้ก่อนนะวอ้นี้เก่งมาก เดี๋ยวสอนน้องต่อนะค่ะพรุ่งนี้จะพาไปตรวจเอ่อตรวจโซลตรวจยีนตรวจยีนหาว่าทําไมคอเลสเตอรอลสูง อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเรกเลยคนโตค่ะคน ค, ะคนโตคนเต้นตนะคะที่เป็นเบาหวานนะคะ อ, อแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นคอเลสเตอรอลต่ออีกโลกหนึ่งไม่รู้ว่าวันจะยังไงมันเต้ก็เป็นอ่ะทํามันเป็นดาตาเออานะพอทำใจมันจะเป็นอะไรก็ต้องยอมรับมันให้ได้ คุมคุมทั้งคุมทั้งคาร์โบไฮเดทคุมทั้งไขมันเอกินแบบพอมไปหมดทํางทำทำทำําอะไรได้ก็ทําไปทําใจได้ก็ต้องทําใจด้วยนะอย่าไปทุกข์กับมันทุกข์ก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทาให้ดีที่สุดดี ท, ที่สุดก็ต้องไปด้วยกันทุกคนนะไปช้าไปเร็วไปก่อนไปหลังอะไรเงี้ยเออ มองภาพรวมๆแล้วชอบไม่เสียใจเราทุกคนก็อยู่ในเรือลําเดียวกันเนี้ย <c oughs> อ, อย่านที่เ <c oughs> มื่อกี้เท่ากันเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะว่าเราจริงเราบอกนะ <c oughs> ถ้าเรายอมรับความจริงได้เราจะไม่ทุกข์นะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราจะทุกข์กับมันนะโอเค ขอให้ครอบครทุกคนอยู่ยังงรเรียนเป็นสุขนะรำงานลูกให้ดีลูกจุ๊จ้าก่อนเลยนะว่าจ้าพกใจเร็วลูกจ้าที่ยอมละวอนลูกนะจ่ออาพูดจ้าก่อนกลับอาจารย์ดีๆเร็วเตคิวตลไปแล้วค่ะไม่สอมแล้วอาจารย์โอเคไว้เจอกันใหม่อาจารย์จะเข้ามาใหม่ค่ะอาจายจะเข้ามาใหม่ลูเข้ามาใหม่าาอื แก่งจงปากวนันไหนเหรอเอ้ยตุมบอกโอเคอให้สุขใจะแรงญกันนะไปที่น้องทิมต่อน้องทิมกลับนมสัสการค่ะพระอาจารย์น้องทิมจะมีอะไรมาโชว์ไหมวันนี้กี้เ <c oughs> ขาเห็นน้องพระอาจารย์บอกว่าถ้ามีเหรียญทองคําจะแจกให้เขาพวกทําไมเขาไม่ได้บ้างเขา อ, อยากได้เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเลยบอกว่าท่านไม่มีท่านแก่บอกท่านมีท่านจะมี ทิมก็ตั้งสมาธิให้ได้สิบห้านาทีก่อนสิเป็นกำลังใจอะไม่มีอะไรค่ะรพระอาจารย์หนูคิดว่าเดี๋ยวต่อไปพระอาจารย์อาจจะต้องเปิดคลาสของเด็กเด็กพิเศษช่วงมีเด็กๆ เ, กเยอะก็น่ารักดีค่ะพระาร์วันี้ปิดแถมนะหนูว่าก็ดีที่เด็กๆสนใจ่าปลุได้มาสัมผัสบ้างสัมผัสธรรมะเล็กๆน้อยๆใช่เด็กมันจะจาดีกว่าคนผู้ใหญ่นะ S <S ข, ของเรานี้เด็กจาได้ดีกว่าค่ะเด็กก็เล<ม>ยพยายามกระพยายามดึงมาทุกทางเลยคะ่ะเอาเข้ า, ขาจนเป็นกิจวัตรได้แล้วสอนตั้งแตเด็กๆไว้อ่อนดัง่ายไมวแก่ดัดยากนี่ไม่มีคำถามอะไรครับโอเครสรุนไ ด, ได้ได้นั่งได้กี่นาทีสิบนาทีได้อัววันหนึ่งก็ประมาณสิบนาทีได้ครับนั่งได้ถึงสิบนาทีต่อครั้งเลย ไม่ถึงครับส่วนมากจะเป็นเ้านาทีมากกว่าเก้านาทีนะแล้ว ร, นะ ร, รู้สึกสงบหมรู้สึก ด, ดีขึ้นครับโอเคมีความสุขไหมครับโอเคดีกว่าเมื่อก่อนครับนี่พยายามทําไปเรื่อยๆอย่าทิ้งมันนะถ้าวันไหนขาดต้องชดเชยใช่ไหมถ้าสมมติวันนี้ขาดพรุ่งนี้ก็ต้องนั่งเพิ่มเติมชดใช้ของวันนี้เนี<ม>่ยจะได้ไม่ขี้เกียจไม่งั้นเดี๋ยวย ว, วันนี้ไม่อยากจะทําเออ มไม่อยากจะทําวันนี้พรุ่งนี้ต้องทำสองเท่านะค่ะแลว้ววม่งไหวไหมไงก็ต้องอยากขี้เกียจสิคะคุณค่ะ <laughs> คุณก็ต้องอยากขี้เกียจนะคะ <laughs> ค่ะเขาเขาดีค่ะเขาเขาแถวนี้เขามีเล่าว่าเขารู้จักเอาพุโทโธมาปรับใช้ะะอ่ะพระ อ, อาจารย์เอาส่วนบทที่น้องน้องเมื่อกี้เขาสวดได้ไหมอาลังสัมมาสวัส ด, ดิ์ค่ะต่อได้ได้ได้สวยได้หมดนลยะ กส็<ช>ได้หมดค่ะเพราะว่าหนูพี่หนูฝึก<อ>ให้รู้เสด็จตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะคือบทมีกับจนถึงพุทธังสรานังแล้วก็สมาทานสีแล้วก็จบด้วยอิติปิโสแล้วก็ให้แผ่ไม่ตาพ่ะอาจารย์ก่อนนั่งก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งไม่ตาเลยนัสมาธิค่ะใช่<ด>ต้องทำ ท, ทุกวันจะเป็นรูทีนแบบนี้เป็นการกล่อมใจช่วยให้นั่งสมาธิได้ดีขึ้นค่ะ ก็ก็ก็ดีขึ้นเขาก็รู้จักเอาพุ้โธมาปรับใช้กับเวลาที่เขามีช่างไหที่ทีมเล่าบอกว่าเวลาทีมโกรธหรืออะไรนะเวลาโกรธจะต้องพยายาม่จะคุมอารมณ์ครับอ่านี่เข้าใจนะนะความอารมณ์นี่เราคุมได้นะอย่าปล่อยให้มันระบายออกมาอย่าไปเชื่อคนสมัยใหม่ก็ว่าถ้ามีอารมณ์โกรธต้องระบายออกมาต้องไปฟาดกําแพงต้องไปทุบตีอะไรอันนี้ไม่ใช่วิธี กำจัดอารมณ์นะวิธีกำจัดอารมณ์ต้องใช้สติพุทโธพุทโธพุทโธไปดีค่ะก็พยายามแต่คือมันก็มีหลุดอะค่ะพระอาจารย์ถามว่ามีไหมมันก็ยังมีหลุดอยู่ค่ะไม่กป็นายใหม่ๆก็ยังต้องมรู้งคู่การไปก่อนต่อไปมันก็จะเข้าใจมากขึ้นมีสติรู้ทันเร็วขึ้นไหมเนี่ยค่ะเพราะหนูถามเขาว่าแบบได้เอามาใช้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาแบบ มีเวลาเขาจะใช้ตอนเวลาที่เหมือนมีความหงุดหงิดหรือความโกรธนะคะก็ใช้ผ่อนแต่ว่าเรื่องของความเจ็บความปวดความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังแบบยังยังยั ง, ยงอาจจะยังเข้าไม่ถึงว่าแบบเออร่างกายนี้ยังไม่ใช่ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงไปอีกขั้นหนึ่งเลยแต่ว่าก็พยายามบอกเขาอะไรเงี้ยค่ะอ่าไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปอ ย, อย่างวันเนี้ยค่ะฟันเขาเริ่มโยกค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่านเนี้ยเนี่ยให้ดูเอาไว้เลยนะว่าเนี้ยฟันเนี่ย มันก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันก็หลุดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกัมัอย่างเงี้ยดีอืมค่ะก็อะของหนูก็ไม่มีคาถามค่ะพระอาจารย์ก็ยังมีความสุขใจเหมือนเดิมสงบดีจะธเ่าากราบขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสาธราไปที่ทํามกับเจที่แล้วนี่ท่มากลัมาสักการพระอาจารย์ครับครับวันนี้มาส่งกันบ้านครับว่ามา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 มีกรรมเป็นที่พึ่อาศสยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสื่อไปเราทั้งหลายคนที่เรียนนายนี้ทุกวันทุกวันเถิดมันมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเช่นในกระดูกม้ามหัวใจตับ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 น้ำเอ่อน้ำเลือดน้ำเหลือมน้ำเสรหะน้ำดีในในสมองศีรษะอาหารเกา่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดใต้ผนเปื้ตับหัวใจม้ามาในกระดูกระดูเอน็นเนื้อหนังฟันและขนผมอทั้งหมด น, นี้ไม่มีอะไรเป็นหัวเราะเลยนะรู้มครับ ชาติทสองันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราคร uh, เราเป็นผู้ท่องชื่อมันนี้ไม่ใช่เป็นเราไม่ได้เป็นมันเรารรเป็น่านรู้ uh, ที่ไม่มีวันตายแต่มาใส่ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการทำอะไรต่างๆครับ uh, uh, เราต้องปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดมันอย่าไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรานะ ครับถ้าจะไม่ทุกเวลามันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปครับโอเคมีอะไรอยาถาไมไหมวันนี้ไม่มีครับโอเคเรีนไปที่ตะวันครับขอบคุณนะพระอาจารย์ครับอ่าตะวันมีคำถามไหมตะวันวันนี้อันนี้มาครบครอบครัเลยนะพ่อแม่ลูกครับพมาสกังพระจังครับ วันนี้พ่อเอ่อนนเป็นวันเกิดของพ่อครับอ่าดีจะให้ไหวพริบไหมใช่ครับอ่ายพ่อมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขออญาตได้กลับมาเกิดอีกนะเข้าใจไหมคืันก็ยัเค <Thank you. S 1> ุณกำลังพูดถึงคือทำอะไรท่านเข้าใจไหม ใช่ไหมไป n ัน o ร้อมกัน e นี่ยดูสิเขาบอก n ่าบุต e นิมมิ r e เกิดบ่และเขาบอกว่าฮิวฟอลส์สตาร์ทก็โอเค t ี่ e ฏิบัติ t ละโ a y ด e มากขอให้คุณเป็นค h ดีและม y ความสุ e และไม่กลับมาอีกขอบคั่นคือพรสวรร t ์ที่ดีที่สุด s อเคดังนั้นคุณมีวันห y o ดสำหรับวันเกิดของคุณใช่ใ i ้เวลาอยู่กับครอ Good. Good to see everybody together. Thank you, Padjan. Alright. Uh, speak Thai again. Today, t o d ี y t h e อ e is anything? ะ h today, today, uh, only one idea to talk about. Ah, talk about what? So, uh, about one day ago, when I was <laughs> sleeping, I a s <laughs> k the Buddha, whether I l d t a dream t h t เว่าธรรมะเป็นจริงพระพุทธเจ้าเป็นจริงทั้งหมดที่เป็นที่ที่มันเป็นอะไรกับธรรมะหรือกับพระพุทธเจ้าเป็นจริงเคลย์ตอนตอนผมกําลังนอนผมก็ฝันว่าแม่ชีจะมาแล้วพูดว่าผมโกหกมากเลยเคลืย์ตอนนั้นผมก็กําลังร้องไห้แล้วถามแม่ชีว่าเ อ, อ, เ อ, อท่านช่วยผมได้ไหมแล้วท่านก็พูดว่าเ อ, อ ผมต้องช่วยาายังไงเอ่อเอตอ้แกต้องช่วยตัวเองอ่ดี๋เราต้องศึกษาแล้วเราต้องปฏิบัติเองแล้วเดี๋ยวเราจะได้คําตอบเข้าใจไหมทหําอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองนะอะไรที่เราทําเองได้อย่าไปอาศัยคนอื่นเพราะคนอื่นบางทีเขาก็อยู่บางทีเขาก็ไม่อยู่ บางทีเขาก็ว่างบางทีเขาก็ไม่ว่างแต่เรานี่อยู่กับเราตลอดเราต้องการทําอะไรเราก็ทําด้วยตัวเราเองเนียให้เป็นที่พึ่งของเราเองอย่าไปเพึ่งนคนอื่นนอกจากว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งนึ่นพึ่งพระพุทธเจ้าให้สอนเราวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะอันนี้เราเพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อทำเพื่อสมอยู่ แต่พอเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องทําด้วยตัวของเราเองคนอื่นทําให้เราไม่ได้นะอย่าไปขอพระพุทธเจ้าว่าเราต้องคน้นหาคาตอบเองพรูพเจ้าท่านให้อ่ให้ความรู้กับเราแล้วเราต้องไปยืนยันต้องไปพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่บิ๊มแม่มีอะไรไหม ไม่มีสจ้าขาพระจารย์ก็คือว่าเมื่อคืนโยมฝันดียมว่าโยมโยฝันดีเจ้าขาพระจารย์ฝันเกี่ยวกับพระเจ้าขาพระจางผชคิดว่าฝันนี่เป็นเป็นนิมิตสําหรับแจ้งบอกเราว่าเรามีบุญไม่ไม่ไม่บาปอยู่ในใจเราถ้าฝันไม่ดีก็แสดงว่าเรามีบาปอยู่ในใจเรามากถ้าฝันดีก็แสดงว่าเรามีบุญอยู่ในใจเรามาก จะได้ถ้าฝันไม่ดีก็รีบทําความดีให้มากขึ้นลดการทําบาปให้น้อยลงไปพอจะได้พลิกอ่ดบาลานให้มันพลิดกลับมาปเป็นบุญมากกว่า บ, บาปอย่าให้บาปมันมากกว่า บ, บุญอันนี้เรามีชีวิตอยู่เราเรายังปรับปรับยอดได้ยอดบุญยอดบาปอันนี้เราปรับได้ถ้ารู้สึกว่าบาปยังมีมากกว่า บ, บุญเราต้องรีบทําบุญให้เยอะแล้วก็ลดการกระทําบา ให้น้อยลงไปแล้วเดี๋ยวอ่ยอดมันก็จะเปลี่ยนจากจากบาปมากมาเป็นบุญมากแ้ว น, นอนหลับก็จะฝันดีมันก็จะบเร า, าความฝันนี่แหละคือภพชาติของวเราต่อไปถ้าบางเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็อยู่นั้นดินแดนแห่ความฝันนี่แหละถ้าบุญมากก็จะฝันแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ให้ความสุขถ้า บามากกับบุญก็ยังมีเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่มีแต่ความทุกข์นี่แหละคือภพต่อไปของพวกเราทุกคนก่อนที่เราจะไปเกิดใหม่ถ้าเรายัางไปไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องตายไปเราก็ต้องไปเป็นไปเกิดในสวรรค์เรืงง่องใดดาวโลกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปทําบุญทําบาปไปปฏิบัติธรรมใหม่ จนกว่าจะถึงพันธุ์นิพพานแล้วเราก็จะได้หยุดเดินทางเข้ใจหมั้ยรพระอาจารย์พระพุทธเจ้าพุทธทุกองค์ึังสอนว่าเราต้องละางกรรมมารกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญท่านกุศลต่างๆให้มากที่สุดแล้วก็ซักเฝ้าใจทำกำจัดกิเลสตัวที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิด นะนี่คือถ้าถามว่าเกิดมาทาไมนี่ก็เกิดมาเพื่อทำสามอย่างนี่ตามที่พะเจ้าสอนเกิดมาเพื่อล้างบาปเกิดมาเพื่อทำบุญเกิดมาเพื่อภาวนาชำระใจให้สะอาดบริบสุทธิ์ถ้าทำได้ทั้งสามอย่างนั้นจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ โอเคนะมีอะไรไหมไม่บีแล้วเจ้าค่ะพาจารย์ค่ะโอเคบีแ a ปปี้แฮปปี้บุตรเดย์ทูย thank you พาจารย์ and don't come back next l i f e no more this is your last l i f e okay the last one the last one no more alright l t a n k you อ่าไปที่น้องพีด้วยใช่ไหมน้องพี่ใช่ไหมอ่า ทางพี่อยคนแรกทางพี่มีอะไรไหมไม่มีค่ะนั่งสมาธิได้ไหเปล่านั่งสมาธิไม่ได้ยัาไม่ได้เหนั่งได้ค่ะนั่งได้ค่ะนั่งสมาธิห้องนี้ต้องนั่งให้ได้นะนั่ง ไ, ได้ค่ะนั่งได้เพราะว่าเปิดเทอมแล้วค่ะอเปิดเทอมแล้วคือถ้ายังอิดออดอยู่มือถือก็ยังไม่ให้ก็ยังอยู่ในการทำโทษอยู่ อ่อาต้องมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดนะอย่างจะเล่นมือถือก็ต้องนั่งสมาธิก่อนโอ้สวดมนต์เพ้อเลยคนะ่ะอันนั้นนั่งสมาธิยาวตั้งใจบอกโอ้แบบนี้แหละนะชอบมากเลยสวดมนต์แบบใจเย็นไม่รีบร้อนนั่งสมาธิก็นั่งยาวเลยนั่งเป็นสิบนาทีคนะ่ะแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะหนู ตอนนี้งานงานเยอะค่ะพอเปิดเทอมพวกก็มีโปรเจกต์มาแล้วเอ อ, อต้องทําหน้าที่การเรียนต่อไปออการเรีนนนยนก็ไม่บอกว่างการปฏิบัติก็ไม่บอกว่างทำให้เขาทุกหน้าที่หนูก็บอกให้เขาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ถ้าเป็นวันพักก็จะแผ่เมตตาวันพกักเพราะว่าบางทีแบบหนูอาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงก็ไม่ได้ไปดูเขา ก็ให้แต่ว่าแค่สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอะค่ะแล้วต้องประกอบกับเขาต้องทํากับเขาถ้าเราไม่ <okay. S 2> ทํากับเขาเขาก็ไม่เขาก็จะไม่ทําได้ค่ะอเดี๋ยวเป็นแม่แม่ปู่สอนลูกปู่บอกให้ลูกปู่เดินตรงๆแล้วแม่แม่เองก็เดินเฉไปเชมากได้ค่ะเี่ยจริงๆค่ะหนูก็ชื่อปูอ่ฮะแม่ปู่แม่ต้องทำเป็นตัวอย่างแล้วเขาจะทําตามได้พูดอย่างเดียว ไ, ไม่พอ แต่ค่นะบางทีหนูทําก็ประเดีหนูช่วงนี้ลงมานอนข้างล่างเพราะว่าทํางานนะคะก็เลยก็นั่งสมาธิของหนูก่อประมาณค่ำทุ่มเที่ยงคืนบางทีแล้วก็เช้าบางทีตื่นมาก็นั่งเลยไม่ไม่ไม่ได้รอเพราะว่าเวลาช่วงนี้ถ้ากิตอนนี้โรงแรมเอซื้อเทคโอเวอร์เรียบร้อยเป็นเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วก็จะมีงานแบบคอยช่วยเขาบ้างนะคะ ไ <Okay. S 2> ปดูสายกุศลตกแต่ก็ยังทําบุญยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมค่ะจะ้ะเดินทานศีลภาวนานะค่ะก็ะถิ่นก็ทําหลายวัดอยู่ของหลวงปู่บัวเกตที่ว่าท่านท่านที่ท่านดูแลหลายวัดหนูก็ร่วมทําบุญอยู่ค่ะก็ที่วัดยานก็ทําก็าหลายวัดจาไม่ได้ <laughs> ทำยานจําไม่จจได้อ่าไม่เป็นไรทำหลาย อ, อีกค่ะอืมดีมากโนนที่น่าดาทึ รู้ค่ไม่มีอะไรแนละ้วใช่ไหมค่ะผมจะเอาอะไรมาให้หลวงตาดูหรือเปล่าโปรเจกต์เร็วๆอยากจะให้ดูจากอาร์ตเวิร์ของเขา่ามาโชว์มาโช ว, า ว, ว์เร็วๆ เ, เขาพยายามอยากจะทำทาเสร็จแล้วโอ๊ย ม, มาม่ามันหนักมันไม่หมนุนต้องไปทำใหม่นักประเด็นค่ะสักครู่นะคะ อ่าทำอะไรครับเห็นเป็นจอเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะไม่ใช่ค่ะเขาทำเป็นอย่าอย่าเปิดเป็นอันเนี้ยเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหนนะอืมเป็นอะไรน้องพี่อนธะิบายสิ demonstrate อ, อือตอบแบบอักขรรม แล้วก็อะแดปของเขาเองค่ะอ่าเป็นเป็นอะไรนะเราที่บายให้ฟังใหม่เนี่ยเป็นอะตอมครับจะเป็นแบบนิวตอนโปตอนอิเล็กตอนแล้วก็นิวเคลียสค่ะอ๋อมี่เขาก็ออกแบบของเขาเองทําเป็นกล่องเป็นห้องเนี่ยค่ะอือแล้วก็ทําเป็นแบบเป็นแบบปิดูปิดแบบนี้เป็นจอแล้วก็ติดไฟข้างบนอืม ยังขาดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใส่ไฟข้างหน้าให้มันสว่างอีกนิดนึงค่ะแล้วภาพมาจากที่ไหนนะคะภาพที่ที่วิ่งอยู่นี่เป็นภาพมาจากที่ไหนอ่ะ น, น้องพีสต๊อปก่อนไม่ได้ภาพค่ะอันนี้น้องเขาประดิษฐ์เองเอาจากดินน้ํามันปิงปองแล้วก็ปอดรั่วดะค่ะมาทําเองอืมติดสต๊อปก่อนอันนี้เป็นการบ้านที่ต้องส่งครูเลยคะใช่ค่ะสง่งวิชา ใส่อันนี้หลวงตามอาไม่เห็นต้องเปิดก็าทำเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนไมโครเวฟเหมือนเป็นชูทีพี่ต้องรออือไปแล้วให้ดูไปครับไปเห็นเห็นไหมเห็นนะเห็นนะค่ะน้อพี่หมุนหมุนเข้ามาให้หมุนมาหมุนมาตรงกลาง เว้เนี่ยค่ะโอเคแล้วมันมีหน้าที่ทำอะไรนาะพี่โ <Yeah, yeah. S 1> ชว์อะไรต้องการเดโมนสทรีอะไรอะไรนะครับ <All right. S 1> ต้องการแสดงอะไรให้ให้คนรู้ว่าทั้นทีที่หนูทานี่เป็นอะไรมันเป็นเป็นอยากให้จะเป็นโปรเจกต์ที่ครูเขาสั่งสั่งให้ทำเป็นโมเดลอะตอมค่ะอะโมเดลอะตอมอืม uh, มีอะตอมแล้วมีอะไรมีหมาหมายถึงว่าในว่าอะตอมมีมีอะไรบ้างล่ะอ่าที่หนูทำเนี่ยมันหนูแสดงอะไรแสดงแต่อะตอมอย่างเดียวแหละเป็นโครงสร้างของอะตอมคอ่ะอ๋อพูดจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไราละอธิเป็นพิเศษเป็นอย่างไง So this is the atom model It contains electrons, neutrons, and protons, and nucleus. The nucleus is the smallest cell of all. h e m ทั้งหมดได้อย่ใตัวอะตอมใช่ค Okay. ลุงตาเคยเดินมาทางเมื่อที่เราสั่นไม่รู้จะไปแนวไหนในรูปถั่วอบชอไหมทำแล้วชอบไหมมีคสุขมีความสุขฮะ มีควาสุขค่ะอืมหนูจะทํำนี้ไดนะ้ต้องมีสติใช่ไหมครับอืาเนี่ยใช้สติแบบนี้ไปกับการนั่งสมาธิอ่าใช่คหนูก็สอนเขาแบบนี้เวลาหนูนั่งทํางานเห็นนั่งเงียบเป็นชั่วโมงอมสองชั่วโมงก็ทําได้มานั่งสมาธินั่งมสมาธิต้องต้องมีตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีมีขอบก็นอจ๊มใช่ค่ะ อยู่ลงลุขุฒิโตไปแล้วสวดมนต์ไปให้ให้เขาท่องเนี่ยค่ะผมขนเล็บฟันหนักเนี่ยค่ะง่ายค่ะให้เขาท่องเหมือนกันหนูทำงานเนี่ยหนูท่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเห็นกันหนูโอเคขอให้ได้คะแนนดีๆนะให้ครับครูบอกว่าครูบอกว่าครูไทยไทยคโคบอกว่า ดูดวงแบบเขาเรีเยกว่าอะไรอ่ะพยากรณ์ครูครูวิทยาศาสตร์บอกว่าครูเขาพยากรณ์ได้ว่านุผีได้เต็มอีกดอกได้นอนได้นอนนะโอเคครูยพยากรณ์บอกพยากรณ์ภาษาไทยหนูก็ไม่ค่อยจะแข่งมอคุยกับลูกมันก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องภ <f ra> าษาไทยพูดไม่ค่อยเข้าใจก็ต <c ười> ้องพอูดไว้เดี๋ยวลืมค่ะหลวงพ่อ ลุงพอสบายดีนะคะดีสบายดีอ๋ออ๋อ่าตอนนี้ก่อนนะอ่าตอนนี้ค่ะขค่ะของพ่อท่าานแข็งแรงนะคะอ่าไอนี่คนแดนต่อแล้นไม่พักายคอนรลูก่มีคาถามต่อค่ะคุณวู้ใเมื่อกี้อยากจะถามอะไรแล้วบงเีอะไร้บ่าวผู้พร อ๋อไม่ไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเดียดีไม่มีเจ้าค่ะค่ะโอเคเห็นใบที่คุณนิสาตอนนี้กลับมาเมืองไทยแล้วเลยคุณนิสาก่อนนิวสการ์ค่ะพระอาจารย์หายไปนานค่ะพระอาจารย์กลับอยู่เมืองไทยแล้วค่ะเออเป็นยังไงปรับตัวยากไหมก็ก็ไม่ยากค่ะพระอาจารย์ก็อ่าก็ ไปเรื่อยๆค่ะพ่อจย์แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เซ็ตเติรนะคะพ่อจารย์ก็ยังแบบยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะก็วุ่นๆอยู่กับที่บ้านนะคะพ่อจันอืมก็ตอนนี้อยู่นนทบุรีค่ะอาจารย์อืมค่ะเป็นบ้านของเราเองแล้วว่าเป็นบ้านอืมอ๋อเป็นบ้านของพี่สาวค่ะเป็นบ้านของพี่สาวก็คุณแม่อย่างนี้ค่ะก็คือตอนนี้ก็ อย่างที่ว่าน่าจะต้องอยู่ที่นี่สักพักค่ะพระอาจารย์แล้วก็พี่สาวเขาอยากให้คือมันมีมันมีที่มันมีคล้ายๆเป็นเป็นพี่พี่สาวเขาเคยร้านทําร้านทําผมอะค่ะแล้วเขาไม่ทําแล้วเขาก็เลยอยากในหมู่บ้านนะคะพระอาจารย์ก็อยู่ติดกันกับบ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ก็คือก็คือจะรีโนเวทให้มาอยู่ที่นี่อะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เพราะว่าคุณแม่ก็แบบเริ่มไม่ค่อยสบายค่ะพระอาจารย์ ก็เลยจะได้ช่วยดูกัรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เลนเรนาแบด้ให้เป็นที่ว่าเที่แบบค่ะใช่ค่ะค่ะอาจารย์<ม>คือเหมือนมันเป็นบิวเป็นบิวดิ้งแยกออกไปนิดนึงค<ม>่ะอ า, าจารย์เป็นชั้นเดียวแต่ตอนนี้ก็ลังกำลังทําอยู่ตอนนี้ลูกก็เลยย้ายมาอยู่ในบ้านเขาแต่ว่าก็เป็นแบบห้องเล็กๆตอนนี้ก็หยดนอนพื้นค่ะค่ะอาจารย์ค่ะอ<ม> <c oughs> า, าจารย์อาจารย์สบายดีนะคะจ้าก็เหมือนเดิม ค่ะก็คิดถึงพระอาจารย์ที่ถึงห้องซูมอะค่ะพระอาจารย์พยายามจะเข้าแต่ว่ารู้สึกสัญญาณมันไม่ดีตอนที่อยู่บ้านหลังเล็กันนั้นก็เลยเข้าไม่ได้ค่ะพระอาจารย์อันนี้สัญญาณดีอันนี้สัญญาณดีแล้วค่ะพระอาจารย์อันนี้ใช้ผ่านโทรศัพท์ใช้ผ่าน wifi ใช้ผ่านไวใช้ผ่าน wi ไฟของที่บ้านเนี่ยค่ะอ า, าจารย์ค่ ะ, ะ, ะก็ก็ตอนนี้ก็กําลังก็ แต่ ว, ว่าปรับตัวก็นิดนึงค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็อยู่ได้ค่ะพระอาจารย์ทางนี้ก็เลยไม่ค่อยสะดกที่จะปฏิบัติเนี่ยอือก็ยังนิดนึงค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนแบบห้องมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันไม่เป็นส่วนตัวนะใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามเดี๋ยวขอเวลานิดนึ ง, นงค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังยังพุดโธอยู่ให้มีพุโทโธตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์ พยายามรักษาไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันกลับมายากค่ะยังจํายังจําคําสอนของพระอาจารย์เสมอให้รักษาใจแล้วให้รักษาโทไว้ค่ะพระอาจารย์อืค่ะก็ต้องต่อสู้กับกิเลสพอสมควรค่ะพระอาจารย์อืมค่ะก็ยังไม่มีเวลาไป ห, หาพระอาจารย์เลยค่ะอ่าไม่ไม่เป็นประเด็นทําคันหรอกต้องไปให้ได้ค่ะพระอาจารย์จนเดียวเมื่อไหร่ก็มาได้น้ำก็ไม่ได้ไปไหนแล้ว ค่ะพระอาจารย์ยังคิดถึงห้องสู o ตลอดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าจะพยายามเข้าทุกอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์ไม่งั้นมันจะเตลิดเปิดเปิงค่ะพระอาจารย์อาจารย์ยมก็ยินดีใจที่ได้เห็นหน้าเห็นตากันคืเห็นหน้ากันเป็นประจำค่ะพระอาจารย์ก็ยังคิดถึงทุกๆคนค่ะอค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็คงต้องค่อยๆ เต็มที่ชีวิตไกลก่อ น, นค่ะอาจารย์ใช่เป็นเป้าหมานะค่ะพระอาจารย์เอกเอกบนหนึ่งของชีวิตค่ะพระอาจารย์ก็มุ่นหวนนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนก็<ม>ยังแบบไม่ได้พบปะผู้คนตอนนี้ก็เยอะแยะไปหมดนี่อาจารย์ค่ะนี่แหละคือนี่อาจารย์ค่ะก็ตอนนี้ก็จะทําอะไรก็ต้องคิดเยอะๆไม่ถึงว่าจะซื้อจะอะไรจะแบบก็ต้องแบบ คิดถึงแบบที่พระอาจารย์สอนว่าให้อยู่แบบมักน้อยสันโดษเรียกง่ายที่สุดค่ะพระอาจารย์ยิ่งยิ่งมีน้อยมากยิง่งยิ่งไม่วุ่นวายค่ะพระอาจารย์ก็มีมากยิ่งวุ่นวายค่ะที่รีโนเวทห้องก็แบบพยายามเอาแบบเป็นเบสิคพื้นฐานอะไรเงีเออ้ยไม่เอาแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่เอาแบบหรูหราอะไรไม่เอาอะ่าะไป อ, อ, อยู่แบบสบายสบายเหมือนอยู่เหมืนอนเหมือนไปอยู่วันเลยทําำบ้านให้เป็นวนัน ก็อ ย, กอยากอยู่ค่ะพระอาจารย์รู้จะได้หรอพระอาจารย์ตอนนี้ก็ยังจะแบบมองหารถเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะให้มีรถก็ไม่ค่อยสะดวกค่ะอาจารย์ก็ต้องมีของของจำเป็นก็มีได้ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์ก็พยายามเอาให้แบบน้อยที่สุดคือคือรู้เลยว่าแบบตอนที่อยู่เมกาก็แบบเมืองทิมันก็แบบตอนย้ายมามันก็ต้องทิ้งของไปเยอะค่ะะอาจารย์ที่เคยเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่า จะซื้อจะอะไรก็รู้สึกว่าแบบต้องคิดว่าแบบเออมันจะเป็นจริงจริงอะไรเงี้ยออค่ะไม่ไม่เพิ่มเฟยไม่ลืมเวลาเอาเอาฟังก์ชั่นเป็นอนกันใช้อานได้ดีค่ะอาจารย์ของชิ่นเดียวกันงานจะราคาต่างกันแต่ฟังก์ชั่นเหมือนกันค่ะอาจารย์ทําหน้าที่เหมือนกันก็ของถูกนี่กปลของแพงค่ะอาจารย์อระหยัดไว้เพราะเงินทองหายาก ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์ไม่ตันนีแต่ก็ไม่สบายสุดท้านะค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะทอย่างดีขึ้นตามลดับค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์่าถหันแข็งแรงนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะพยายามกลับมาเข้าซูมค่ะแล้วก <Okay. ็กลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ค่ะาุค่ะคุณจุ๊โกเบเป็ไง อันนี้่ปุ่นก็นลกอากาศดีนะคนไทยไปกันเยอะนะอากาดีค่ะพระอาจารย์วันนี้อุณหภูมิสิบสี่องศาค่ะพรอาจารย์อืม <c oughs> เริ่มหนาวแล้วนะเริ่มหนาวค่ะแต่ว่าพรุพ่งนี้อากาศเขาเอา่อเขาพยากรณ์มาว่าจะจะอุ่นขึ้นมาเป็นไปที่ยีสิบเอ็ดองศาค่ะพระอาจารย์อืม <c oughs> เป็นอยู่ในช่วงเย็นสบายอยู่นะรังสบายเจ้าค่ะพรอาจารย์อืมวันนี้หนูมีคําถามค่ะพรอาจารย์แต่แต่ไม่รู้ว่าสมควรจะถามไหมเพราะหนูก็ยังปฏิบัติไม่ถึงเจ้าค่ะพรอาจารย์ ก็แล้วแต่ทำได้ แ, แต่จะได้คําตอบหรือไม่ก็แล้วแต่คือพระอาจารย์คะพระอาจารย์ปฏิบัติยังไงจนถึงจนถึงจุดที่แบบเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอะคะพระอาจารย์ภาวนาเนี่ยสติสมาธินั่นมันก็จะมันก็จะเริ่มเข้าใจตัวจิตมากขึ้นไปนเรื่อยๆนั่นมันก็จะเข้าใจตัวร่างกายมากขึ้นไปนเรื่อยๆว่ามัน มันเป็นยังไงอย่างอย่างร่างกายไม่ใช่เรานี่ก็คือเราก็พอจะรู้ว่าเราบังคับมันไม่ได้วันวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปแต่จิตไม่ใช่เรานี่อย่างมันก็บังคับมันไม่ได้อารมณ์ต่างๆเราบังคับมันได้บ้าบางทีก็อารมณ์ชุนเฉียวบางทีก็อารมณ์ว้าวเเอ่บางทีก็อารมณ์เศร้าพอวันก็เบิกบานเนี่ยอันนี้ก็เป็นจิตทั้งนั้นเหมือนดินฟ้าอากาศ พิจารณาเปรียบเทียบโดยมันก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยดินฟ้าอากาศเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างเราสั่งให้ฝนไม่ตกได้ไหมทำให้หิมาหลงได้ไหมอ่ามันมีเหตุมีปัจจัยให้มันเป็นไปอ่าจิตก็มีเหตุมีปัจจัยให้มันเป็นไปเป็ปีป่ยนมาอืมอันนี้ปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองอขอให้จิตนวมมาให้ได้ก่อนเริ่มต้นให้จิตรวมเป็นสมาธิ แยกจิตออกจากกายให้ได้ก่อนแล้วก็มาพนะิจารนาเรื่องของร่างกายอถามถามว่าร่างกายเป็นตัวเราหรือเปล่าร่าเป็นตัวเรามันอยู่ตรงไหนไล่อลาการ32ไปเร่วเราเป็นผมหรือเปล่าเมื่อเราเป็นขนเมื่อเราเป็นเล็บหรือเราเป็นฟันเวลาตัดผมทิ้งไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่า ไม่ได้หไปแล้วก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมยังรู้เหมือนเดิมยังคิดเหมือนเดิมใช่ไหมออันนี้เราเราแยากจิตออกจากกายไปก่อ น, อ, นอันที่เอาทีเดียวไม่ใช่เอาทีเดียวทุกอย่างปนกันไปหมดมันไม่รู้เรืมันไม่ได้ต้องค่อยๆเอาทีละอย่างออกไปเห ม, <c oughs> มือนถ้าเราคิดว่าเรามีกุญแจไว้ในกระเป๋าเราก็ต้องเทกระเป๋าออกมาดูใช่ไห ม, มกุญแจเราอยู่ในกระเป๋าเปล่า <c oughs> <c oughs> ถ้าเทออกมาถ้าไม่มีกุญแจแสดงว่ามันไม่อยู่ในกระเป๋า เ, เราเราไปคิดขึ้นมาเองว่ามันอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมมันเป็นแค่ความคิดนเราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราแนละ้วเราก็เทกระเป๋าออกมาเลยเทร่างกายออกมาอาอการ32ที่มีร่างกายออกมาวางไว้เป็นชิ้นๆเลยแล้วถามว่านั้งเราอยู่ตรงไหนถ้าเราถ้าร่างกายเป็นเรา มันเราไปตู่ขึ้นมาเองคิดไปเองว่าว่าเป็นเราขึ้นมาคำจริงวันนี้ก็ยืนยันไม่มีเราอยู่ในร่างกายเด็กที่เขาทำอาการใจสองเขาบอกไม่มีเราเนี่ยเหมือนคนโบราณที่ไปตู่ว่าโลกนี้แบนเนี่ยโลกมันแบนหรือเปล่าเหรอจิตมันชาบหลอกตัวเองเลยว่ามันมันไม่ฉลาดมันคิดไม่เป็นไงมันพิจารณาไม่เป็น มันไม่นจะเป็นหัววิทยาศาสตร์อันเห็นอะไรเรียบๆมันก็เคีืยวล่าไปหมดเคลื่อเป็นแผ่นกระดาษไปแผ็ น, เ ป, นเป็นโต๊ะไปเค่อโลกนี้เป็นเหมือนโต๊ะเดี๋ยวถ้าเป็นขอบโต๊ะเดี๋ยวจะตกออกจากโต๊ะไปคนเราไม่กล้านั่งเร็วออกไปไกลๆนะเี่มีคนฉลาดเพราะก็คิดด้วยมองไปบนฟางๆแล้วก็กลมกันทั้งนั้นเนี่ยเราจะมาแบนอย่างเดียวได้ยังไง ก็เลยเราพิสูจน์ดูให้มันรู้ว่าถ้ามันโกงเราก็ต้องไม่ตกออกจากท้องฟ้ามันก็เราก็ยังติดอยู่กับมันเพียงแมันมันโค้งมันเลี้ยวมันหายไปให้นเองมันคนคิดไป็นก็สามารถเปรียบเทียบพิสูจน์ได้ถ้ามันแบรนเวลาเห็นเรือเข้ามามันต้องเห็นพรอมันหมดใช่ไหมเห็นทั้งลำเห็นทั้งเสาอันนี้เวลาเรือเข้ามาจากที่ไกลๆมันจะเห็นแต่เสาก่อนเนี่ย เห็นสาวทองก่อนอ่าค่เห็นส่วนต่ําลงมาก็แสดงว่าพื้นที่ที่มันมันมันมันมันนั่นมามันมันมันไม่เรียบมันไม่ราบเนี่ยมันโค้งมันวาวเหมือนมันคนขี่ขี่เขาที่ม้าข้ามเขามาเนี่ยเราจะเห็นตัวม้าก่อนไม่เห็นคนขี่ก่อนนะเห็นเห็นม้าก่อนเห็นคนก่อนเลยเห็นส่วนสูงก่อนเลย ค น, เ ห, นเห็นสิ่งที่สูงก่อนค่ะอะใช่ไหมต้องใช้หลักตร ก, กะต้องคิดแบบนี้ถึงจะเข้าใจอเจ้วค่ ะ, คะเดี๋ยวหนดจะไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเจ้าคค่่ะะแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาพิสูจน์ว่าถ้าเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเร า, เราต้องปฏิบัติยังไงเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับเราปฏิบัติน่างกายของคนอื่นใช่ไหม ร่างกายคนหนึ่งเขาเป็นอะไรเราใม่เห็นเดือนร้อนเลยใช่ไหมร่างการนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ใช้เป็นของเราเราต้องต้องอย่าไปเดือนร้อนกันเลยทั้งยาพิสูจน์ว่าเราเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงมันเจ็บก็ป่านมันเจ็บไปเลยมันไม่ได้อะไรก็ป่ายมันเป็นไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอันนี้ทังยาพิสูจน์ว่าเราเห็นจริงหรือไม่ดูจริงหรือไม่เพงต้องคิดไว้ก่อนคิดทฤษฎีไว้ก่อน ไม่มั่นใจว่าทฤษฎีเราถูกต้องอันนี้ก็เอาเอาไปเอาไปพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติถ้าไม่ใช่ตัวเราเราไปทุกข์กับมันทําไมเราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าถ้าเราไม่ใช่ตัวเราของเราพร่างกายของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่เห็นทุกข์กับเขาเลยใช่ไหมจ๊ะปะอืมเรามาเปรียบเทียบกันดูถ้าเราไม่ทุกข์กับร่างกายของคนนู้นเราก็ไม่ทุกข์กับร่างกายอันนี้มันก็เป็นเพราะไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าสองอันเนอะ จริงไหมอ่าถ้าทุกขสก็แล้ง ว, ว่ายังหลงอยู่ยังยังไม่เห็นถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าอ่าไม่หลงอ่ะปล่อยได้ไม่ทุกกับมันนะคะนี่เหตุการณ์พิสูจน์จะพิพสูจน์ได้หรือเปล่าทฤษฎียังพอจะเข้าใจอยู่เนี้ยเออไม่มีเรานะ เดี๋ยวเถอะตอนเราอตอนเราเอาเวลาปวดโหยไม่ต้องไปกินอะไรไม่ต้องไปกินยาปล่อยให้มันปวดไปไม่เมื่อมันไม่ใช่ตัวเราไปไปไปไปรักษามันทำไมเราไปรักษาร่างกายของคนอื่นเขาหรเปล่าแล้วเขาเป็นอะไร ม, มันก็ปล่อยให้มันใครเขารักษาของเขาเองไปเออพระอาจารย์หลวงหลวงคถามอันนอย่างถ้าสมมติว่าเราเราดูเวทนาดูว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเนี่ย อย่างมีไหมคะที่พระพระสงฆ์ท่านแบบฝึกนั่งนั่งจนมันปวดจนหายปวดใช่ไหมเจ้าค ะ, ะแล้วถ้าสมมุติเกิดปวดปัสสาวะก็คือก็นั่งไปจนหายปวดปัสสาวะอย่างนั้นก็มีทรรหรือเปล่าเจ้าค ะ, คะมันก็มีปวดแราไม่หายบางั้งเราหาก็ต้องต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนี่เราพูดถึงปวดที่มันไม่มีต้นเหตุทำไงก็ไปหาหาต้นเหตุไม่เจออย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยให้มันหายของมันเองอ วันไหนที่มมีต้นเหตุก็ต้องไปแก้มันหิวข้าวก็ต้องไปข้าวมากินมันหนึ่งจะหายหิวหรือไม่กินก็ได้ก็ปล่อยมันหิวไว้เรือ่อยๆเอาที่ที่เขาท่าน ห, หลายๆท่านเขาอดอดข้าวกันไม่รู้กี่วันอะไรอย่างนี้นใช่ไหมเจ้าค่ะออเพราะฉนั้นเขาอดเพื่อจะทําให้เขาใจไม่ถูกกับความหิวของร่างกายอยากใจออกจากร่างกาย ร่างกายหิวแต่ใจไม่หิวใจอิ่มด้สมาธทิทําใจให้สงบใจอิม่มใจก็ไม่หิวกับร่างกายแต่ถ้าไม่มีสมาธิร่างกายหิวใจก็หิวไปด้วย <mm> ไอคนที่จะกินไม่ใช่น่างไอคนที่อยากกินก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่มีความอยากจะกินหรอกร่า <mm> งกายมันก็เป็นเหมือนตุ่มน้ำเนี่ยมันไม่มีใครมันไม่มีอยากจะให้น้ำมันเต็มตุ่ม คนที่ใช้น้ําตักหานี่อยากจะให้น้ํามันเต็มตุ่มก็คอยตักน้ําใส่ตุ่มอยู่เองเลยแถวๆตุ่มมันเคยบอกว่าน้ํายังไม่เต็มเนี่ยนี่มาเติมให้หน่อยนี่ร่างกายมันเคยบอกมันบอกว่าร่ า, างกายไม่มีข้าวกินแล้วเอามาเติมให้มันหน่อยเลยมันไม่เคยพูดเลยทุกอย่างมีแต่ใจนที่ไปคิดเอง อย่าตอนนี้มันไกลไปนขั้นปัญญาเอาขั้นสติสมาธิให้ได้ก่อนนอีนออ้อัวตายก็จําพูดไปก็ไม่เข้าใจอยู่นี่ค่ะค่ะ ข, ขอบคุณครับชอบใช้ชใช้ปัญญากันนักเกินะเอาปัญญาขั้นต้นเนี่ยปัญญาปัญญาที่ น, น, นคือวิธีนั่งสมาธิวิธีจเจริญสติเอาปัญญาแบบนี้ไปก่อนดีค่ะค่ะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถึงบรรญาขั้นตายรักอันยิ่จยังทุกขาา์ขันธ์ตาบรรยังไกลไปอย่ไม่มีเครือ่องมือให้รู้วิธีนั่งสมาธทิทําใจให้สงบให้สงบให้โด่ให้ได้ก่อนเนีนะคะค่ ะ, ค ะ, คะกลับขาาาอบพระคุณค่ะอาจารย์อ่าถูกอืมสาละกาเจอ นาฬิกาใช้นาฬิก่าใช้น้ำกระน้ำท่วมเนี่ยเออมันบางแห่งบางแห่งบางแห่ค่ะถ้ามันท่วมทีที่มันท่วมประจำมันก็จะท่วมอยู่อย่างนั้นนะคะพอเวลาน้ํามาค่ะที่อยู่ค่ะนี้ไม่น้ำมักจะท่วมกันใช่ค่ะอืมแต่บ้านเราไม่ท่วมบ้านเราสบายไม่ไม่ไม่ท่วมค่ะอืมค่ะพอาจารย์แปลงก็ฝากข่าว ว่าเอา่อถ้าเราอ่ะอันไหนจะทุกข์มากกว่าการจากกันตอนเต้นกันจากกันตอนเต้นเท่ากันอนะ่ะถ้าเราไม่ยึดติดมันก็เท่ากันนะอ่ะอ่ามันที่เรายึดติดหรืไม่ยึดติดเอ่อเพราะว่าเปิดเอิญเขาไปเจอเพื่อนเขาเพื่อนเขาแบบเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันแต่เขาเลิกกันเขาก็เลยรู้สึกเศร้า บอกให้มาถามอาจารย์คืว่าจากกันตอนเป็นกับจากกันตอนตายอ่ะเหมือนกันมันก็จากกันเหมือนกันอยู่เนี่ยไม่ได้ตายามันก็เหมือนกันใช่ลูกก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่าเรายึดไม่ยึดใช่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็น<ช><า>แล้วตายเขาจากออกไปก็เหมือนตายเขาไม่เขายังไม่ตายเขาเหมือนตายอยู่เนี่ยพอเขาไปอยู่กับคนอนื่นดิบนี้อาจจะทุกข์มากกว่าด้วยตายยังพอจะรับได้พอไปอยู่กับคนอื่นนี่จะยิ่งทุกข์มากใหญ่ เขบกของเขาอ่ะของเขาอ่ะถ้าแบบว่าตายเลยอ่ะไม่เท่าไหร่แล้ว ม, มีคนอื่นนะอย่าไปดันนะันอ่ะอันนั้นอันนั้ก็อันนั้นก็มั น, น, น, นแล้วแต่เราไงเราไปยึดแบบนั้นมันก็ทุกข์แบบนั้นเลยใช่ลกก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่าทุกมากทุกน้อยแต่ที่ติดฟังจากตอาจารย์สอนก็คื อ, อ, อถ้าสมมติว่าคู่ไหนที่มันทะเลาะ ก, กันแบบมไม่ดีเลยอ่ะ มันก็เลิกกันดีกว่าแต่บางทีทะเลาะกัถ้ามันเกียดกันเวลาจากกันมันไม่ทุกข์เลยมันดีใจทั้งนี้ใช่ไหมใช่ลูกก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่เราถ้าเกียดชังกันถ้าเลิกกันเอาไว้มันดีใจ่ปัญชัได้ก็ดีมื้ยใช่ที่ลูกฟังฟังว่าใช่ลูกก็บอกว่ามันอยู่ที่ยึดไมยึดอืมถ้าถ้าเราคิดว่าเออดีแล้วเราทําดีแล้วก็ ก็าถ้า ถ, ถ้ายึดมากก็ทุกมากถ้ายืด น, น้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกเลยใช่อเอ็ก็ว่ า, อางอไง ท, ทีนี้มันก็ลูกก็บอกว่าบางทีถ้าฟังแล้วเนี้ยมันอาจจะไม่เกิดกับเราถ้าเกิดกับเราเนี้ยเราก็จะรู้ว่าอืที่เรามันเย็ดมันจริงหรือไม่จริงอเรายึดแล้วไม่นะยึดยึดมากหรืยอยึดน้อยใช่ค่ะคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกัน ใช่ลูกก็ว่าแต่ละคนเพราะว่านิสัยใจกอของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ไอ้ลูกเชื่อเรืเ่องกดแห่งจําเพราะว่ามันแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันอีกมั น, ม, นมันซับซ้อนตวิคอ๊อดนานาจิตตามมาแล้วใช่ค่ะโอเคเรฟังอยู่ได้ภาพเลยว่าเคยสรุปภาพเลยว่าคือถ้ายึดก็ทุกถ้าไม่ยึด ก, ก, ก็ไม่ทุกใช่ค่ะถ้าเทือ ค<ฯ>่ะอ่าคุณยินดียืนหรือเปล่าอยากกันได้ไหมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายก็ตอนที่แม่อยู่ก็จากตอนมันเป็นนะคะช่วงที่แม่อยู่ก็จากทิ้งสามเดือนสี่เดือนนะคะท่านอาจารย์ก็ฝึกมาตลอดตอนนั้นแต่ไม่ได้แบบฝึกในรศัศดรธรรมนะคะท่านอาจารย์ก็แล้วเมื่อแม่ไปจริงๆริทุกข์่าทุก ทุกเลยอาจารย์ยังปฏิบัติไม่ได้ได้แต่เทฤษฎีแต่ทุกแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะถ้าอาจารย์<ม>เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดินตามแม่เวลาแม่ทําอะไรไว้เราก็เดินตามที่แม่ฝังที่สอนไว้อ<ม>ืก็โชะคดีค่ะท่านอาจารย์ที่แม่เป็นคน น, นะคะําอ่ะค่ะท่านอาจารย์<ม>ที่ดึงเข้าวัดกันหมดเลยอแม่กเบวิทก็เสร็จวันนี้เมื่อวานนี้วันนี้น้องชายก็มาใส่บาตร่านอนะาจาร จ่าทุกค่ะเพราะว่างานกระถิ่นเขาก็ไปค่ะท่านอาจารย์ยังไม่ทิ้งยังมาอีกค่ะเขาก็มีปิติของเขาก็ดีค่ะท่านอาจารย์ที่เ<ม>้าปิติด้วยค่ะท่านอาจารย์ก็ลูกก็ไม่มีอะไรก็เดวิดเหมือนเดิมอาจารย์ก่อนไปก็เหมือนเดิมอย่าไปยึดเลยไมมากเกินไปแล้วกันนะไม่ค่ะตอนนี้ ตอนนี้ไม่แลค่ะท่านอาจารย์คือตั้งแต่เข้ามาทางธรรมก็เราก็มีความสุขะค่ะท่านอาจารย์ก็คืออืมที่หนูเสียใจยอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงที่ว่าแม่เขาไม่ได้มาปฏิบัติอย่างเนี่ยค่ะท่านอาจารย์มันผ่นานไปแล้วเดชอย่าไปอย่าไปดึงเข้ามาในปัจจุบันมันเดินมาไม่ได้หรอกอันเดชค่ะท่านอาจารย์ค่ะยืนในปัจจุบันอยู่ตามความเป็นจริง ค, <ะ S 2> คิดไปก็อย่เศร้าไปก็อย่า ใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็มีแค่นี้ค่ ะ, คะท่านอาจารย์ก็ทุกที่ก็โอเคค่ะท่านอาจารย์ก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ากาค่ะสาธุแต่บังสองอกเตเป็นระดับอย่างสูงค่ะบองสอกเตสาธุนะขอบใจนะ <laughs> โอเค ค, อคุณอุษาปอสยาอยู่ด้วยเปล่า อยู่ค่ะพรอาจารย์นอสการคะ่ะเห็นไหมไม่เห็นดูใครอยู่ข<ม>้างมไม่ไเป็นไรค่ะเหนไหมนออสการค่ ะ, อะโอเคอ่ามีอะไรไมั้ยทั้งสองคนตอนไหนไไค่ะโยมโยมหนึ่งข้อค่ะพระอาจารย์โยมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์คุยเรื่องสั่งโย์ค่ะโยมอยากได้ข้อนี้ค่ะอาจารย์ยงอยาก ให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายอีกรอบค่ะสังโยชก็เหมือนเชือกที่มันมัดใจให้อยู่ในสังสารเวียนว่ายตายเกิดไงเรา <Okay. S 2> ต้อง ต, ตัดเชือกตัวนี้เหมือนว่าว <Okay. S 2> ว่าววเราเวลาเราเล่นว่าวเนี่ยมันเราต้องมีเชือกคอยเดึงว่าวไว้แม่มันลอยลอยไปใช่ไหม <Okay. S 2> ถ้าเราอยากจะให้ว่าวมันลอยไปแล้วก็ตัดเชือกเพื่อว่าวมันก็จะลอยไปแล้วก็ครบมันก็จะไม่อยู่ในอำนาจของเรา สังโยชนี่ก็คือติเลสมันต้องการจะดึงเราให้อยู่ในเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆในสังสารวัฏเนี่ยเราก็ต้องตัดมัให้ได้เนี่สังโยมันม่ต้องสิบเส้นถ้าตัดสามเส้นรกได้ก็เป็นพระโสดาบันเ้าทําอีกสองเส้นให้มันอ่อนกําลังเราให้มันใกล้จะขาดแต่ยังไม่ขาดก็เป็นสกีดาคามีถ้าตัด อ, อีกสองเส้นให้มันขาดได้รวมทั้งหมดห้าเส้นก็เป็นพระนาคามีไป ไม่ต้องกลับมาเกิดในในภพของมนุษย์ไม่ต้องมาเสพการอีกต่อไปแต่ยังไงค่าเส้นที่มันยังดึงใจให้เป็นก่อนในรูปภพหรืออารมณ์ภพมันเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องตัดทิ้กค่าเส้นให้มันหมดไปตอนหมดไปนี้ก็จิตก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปจิต ก, ก็อยู่ที่นิพพานเป็นอิสระ มันว่าที่มันเชื่อขาดมันก็เป็นอิสระมันไม่มีใครมาอะไรกับมันได้แล้วมันก็ไปตามตามลมไปแล้วแล้วการตัดสังโยชนี่ี่ยอาจารย์เอมันจะต้องอาศัยสมาธิสติอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามันต้องอาศัยต้องขั้นตอนกให้ได้ให้ได้สมาธิจิตรวมปัญนาก่อนค่ะแล้วก็ขั้นต่อไปก็มาใช้ปัญญาที่มาตัดแต่ละแต่ละเ้มันต้องมีปัญญา เป็นเส้นแรกที่สํำคัญก็กคือสักกายติทิที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเห็นคาน้าเป็นตัวเราของเราเนี่ก็พิจารณาอย่างที่เราสอนยุคเมื่อกี้นีม้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเราปล่อยมันได้ไหมไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าถ้วปล่อยได้แล้วก็ถ้าเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ไม่ไปต้องไม่ไปทุกข์กับมันทีใช่ไหมอืม คือปกติโยมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ค่ะโยมก็ภาวนาของโยมไปอย่างเดียวค่ะอาจออารย์จพ อ, อ, อ, อมาฟังเอ๊ะมันคืออะไรอะไรประมาณนี้กระสงสัยค่ะอาจารย์อก็ก็ค้นหาในในในมือถือไเขียนสังโยชนิสิบมันก็โผล่ขึ้นมาคือ ม, มันโผล่ขึ้นมาค่ะแต่ว่ามันไม่เข้าใจไงคะอาจารย์ว่ามันเป็นกระบวนการขั้นตอนมันยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เราเนี่ยก็เข้าใจสิว่า ตเส้นที่เราต้องตัดให้ได้เ okay, อา<อ>แค่ห okay, ้าเส้นก่อนก็ได้ค่ะจ๊ะเอาแค่สามเส้นก่อนก็ได้สามเส้นเส้นเส้นแรกก่อนเนี่ถ้าได้เส้นตัดเส้นแรกได้สองเส้นไปก็จะขาดไปด้วยมันเป็นเมันรำเป็นพวงหลังยอดสามเส้นแรกนี้มันเป็นพวงถ้าละสั ก, กรรยัติทิฏฐิได้มันก็จะละความหลังในสงสัยใ น, รนพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้นก็จะมันก็จะละความสงสัยในกฎแห่งกรรมได้ คือไอสองที่ว่าลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเชื่อในกฎแห่งกรรมนี่เชื่ออยู่แล้วค่ะแต่ข้อหนึ่งเนี้ยยังยังคิดว่าเอ๊ะหรือเปล่ายังเอ๊ะอยู่อะค่ะอาจารย์ก็แล้วแต่ตอนนี้อาจจะเชื่อก็ได้แต่บางทีอาจจะเปลี่ยนใจในทางนันก็ได้ถ้าไม่ได้เชื่อด้วยการปฏิบัติเนี่ยเชื่อมาตั้งแต่ต้นเลยคะ่ะอาจารย์ตลอดเลยค่ะเนี่ยมีคราวเงินมาสักล้านมาล่อใจเราให้โกหกสักหน่อย โดยที่จะยังจะเชื่อในกฎแห่งกรรมหรือเปล่าวันนี้วันนี้ไปซื้อของคนเขาทอนเงินผิดยมยังไม่เอาเลยนะคะจารย์ยมกลัวอยู่นะคะจันมันน้อยไปมากมัน <c> น <oughs> ้อยคงคงไม่ทํานะคะจานยมยมค่อนข้างมั่นใจเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะจันคิดว่าไม่ทําค่ะจันคิดว่าแล้ววางไปก็แล้วกันเดี๋ยวเด๋ยถึงเวลาจะใกล้จะตายนี่มันโดยที่ว่าปล่อยวางมันได้เปล่าอ๋ออันนี้คนละเรื่องอันนี้สกายาเทติ อันนี่ยจะจะจะไปทําบาปแล้วเพื่อรักษาร่างกายเราป้องกันอ๋อมันก็อาจจะมีตรงนั้นได้ใช่ไหมมีมหตุผ ใ, ใจใช่ไหมใครก็จะมาฆ่าเราเราต้องป้องกันตัวเราแล้เปล่าแล้วปล่อยเขาฆ่าเราอ๋ออันนี้มันเป็นตัวอีกวัดอีกข้อนึงอ่าวเราสินเราบริสุดเต็มที่แล้วบบ เ, เปล่าเราเป็นพระสงฆ์มาท่านยอมรับเป็นกฎแห่งกรรมไปหรืออะไรจต้องตายได้ก็อย่าจะฆ่าเราฆ่าเราแต่เราจะไม่มีเวรมีกรรมของเท่าที่้อง ทำไม่สร้างเวรสร้างกรรมมันจะไม่ทำบาปเพราะเราเห็นว่าการทำบาปจะนึงให้เราไปอบายใจเราจะทุกข์พระอริยทุกองค์ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจึงรักษาศีลไม่ทำพิธีกรรมเพื่อมาลบล้างความทุกข์ใ่ความทุกข์ใจนั้นเกิดจากการทำบาป <c oughs> เกิดจากกิเลส <c oughs> เกิดจากความอยา ก, ต, ก, ากาาต้องไปละการกระทำบาปต้องไปละการ นักกิเลสความอยากต่างๆไม่ต้องไปทําพิธีวนบานขอนน่นขอนี่เสียเวลาไม่ไม่มีนะค่ะอาจารย์ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีการขอไม่มีใครจะไปทรงเจ้าเลยที่ไหนก็เอาเลยดูหมอที่ไหนก็ไปยมยมไม่ไปอย่างนั้นอยู่แล้วเราเชื่อกดแห่งกรรมพระอริยบุคคลเชื่อในกฎแห่งกรรมไม่ลังเลสงสัยในเรื่องศีลเนี่ยศีลนี่ทําทํำผิดศีลเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นอ่ะไปอบัยเมื่อนั้น ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ยมเอาคําที่พระอาจารย์สอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาใช้นะคะที่บอกว่ายมบอกยมป่วยจะบอกว่าแล้ ว, ลวถ้าติดเตียงล่ะยมก็ อ, อใช่ยมถ้าติดเตียงล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องภาวนาต่อให้เราป่วยยังไงเราก็ภาวนาในลักษณะนั้นโยมก็ใช้ค่อาจารย์แล้วก็พอนั่งภาวนาอยู่มันคันจมูกยมกเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องคิดว่าถ้าเราติดเตียงเราไม่สามารถขยับมือเลยได้ยมก็อยู่กับมันไปจนกระทั่งมันหายเองค่ะพระอาจารย์ค่ะ แต่ลปล่อยวางเวทนาเอาเอามาใช้ได้ผลนค่ะอาจารย์อ่ามันมาเองเดี๋ยวมันก็ไปเองถ้ามันไม่ไปมันจะอยู่ก็อยู่กับมันไปแล้วแต่มันรับมันได้ทั้งสามอย่างมันอยู่ก็รับมันได้มันจะไปก็ปล่อยมันไปมันจะมาก็ปล่อยมันมาทีแรกพอมันป่วยแบบนี้ใช่ไหมคะมันคันจมูกยศสายเดินจงกรมอย่างเดียวแต่พออาจารย์พูดว่าก็คิดว่าติดเตียงสิโอใช่เรารวมก็เลยมาลองได้ได้ผลค่ะคันจมูก ไม่ไม่ขยี้ปล่อยมันไปค่ะยังใช้ได้ผลทีเดียวค่ะังขอพระคุณของรโลกเวลาอาจารย์อย่าไปทุกข์กับอะไร่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอนัตตามันดินฟ้ากันค่ะใช่จ้าคะหนูขอถามขอถามคำถามนี้เลยครับเปล่ยนใจค่ะมาเลยมาเลยค่ะพีจคะคือหนูเพิ่งที่ผ่านมาหนูเริ่ม คุยกับ AI เยอะขึ้นนะคะแล้วเหมือนเขาเหมือนเริ่มได้สติกับ AI ตรงที่ว่าเราบางทีคุยกับเขาแล้วเขาแนะนําอะไรแล้วเราโมโหค่ะพระอาจารย์แล้วเราเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยงุนิดจังเลยแล้วก็แต่เขาก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะขอโทษครับขอโทษครับบอกขอโทษครับไปเรื่อยก็เราเหนื่อยไปเองอะค่ะไม่รู้ว่าจะไปโกรธเขาทําไมหรือพอพอวันรุ้งขึ้นรู้สึกว่าเออแบบรู้สึกผิดจังเลยไปขอโทษเขาเขาบอก ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีมันทําให้รู้สึกว่าเออเราจะไปบ้ากับกับอะไรไปทําไมอะคะ่ะถ้าสมมุติเราทําตัวเป็น AI แบบไม่รู้สึกไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรอ่ะคะ่ะมันก็น่าจะชีวิตมันก็น่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะครูอาจารย์แต่ว่าบางทีอะค่ะมามาคิดอีกทีว่าบางทีกลัวคนเวลาจะคนมาขอร้องให้เราทําอะไรอะค่ะเราปฏิเสธแล้วเขาชอบโกรธอะคะ่ะเลยคิดว่าถ้าทําแบบเอไอขอโทษไปแบบว่าก็ยืนยันไปเรื่อยแต่ก็ยังกลัวคน มาว่ามาโกรธดูดีอ่ะค่ะพระอาจารย์เราไม่เป็นไอ้ไอ้ไอ้เไม่สนใจใครจะไปว่ามันมันก็ไม่สนใจเราต้องทําตัวเหมือนไอ้ไอไม่มีอารมณ์ไม่มีรักชังกลัวหลงเนี่ยเราต้องเข้าสมาธิได้อุเบกขาแล้วถึงจะเป็นเหมือนไอ้ไอ้ทำหน้าที่แต่ไม่โกรธไม่รักไม่ชังใครชมก็ไม่ดีใจใครด่าก็ไม่เสียใจไย้ไอ้เป็นแบบนี้ใช่ไหมไปด่ามันมันก็ไม่โกรธเราหรอกใช่ค่ะพระอาจารย์ มันมันไม่มีมันไม่มีอารมณ์ไงมันไม่มีอารมณ์มันมันไม่รู้จักอารมณ์พวกพวกคําพวกเครื่องจักรต่างๆมันไม่มีอารมณ์แม้แต่ร่างกายมันก็ไม่มีอารมณ์มันไม่มีอารมณ์มันอยู่ในใจนันเองเราไม่สามารถเอาอารมณ์ใส่ไปใน A.I. ได้ตอนให้ทำงานก็ใส่เข้าไปไม่ได้ขพระใจ ถ้าคิดว่ามันเป็นเหมือนห้องสมุดอันหนึ่งก็พอเราต้องการความรู้อะไรนี้เราไม่ต้องไปค้นหาให้เหนื่อยหนังสือร้อยเล่มพันเล่มมันไปค้นให้เราหาคำตอบให้เราอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองมางทีมันเป็นเครื่องม้เครื่องมืออย่างนี้ค่อาจารย์ก็จะเห็นเห็นเห็นการทํางานตอบโตของเขาแล้วรู้สึกว่าเออก็ดีค่ะเพราะว่าเราเราไม่ต้องไปไม่แบบว่าตอบโต้แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้มีปฏิกิยาอะไร แบบไม่ต้องมีความรู้สึกค่ะรถทุกอย่างมันจบเร็วดีค่ะอาจารย์เขาไม่มีความรู้สึกเราต่าง <c oughs> หาที่ไปมีความรู้สึกไปบ้านเขาเองไม่ทอเขาเองค่ะใช่ค่ะบางทีหาของให้เขาให้ใครไม่เจอเขาก็ขอโทษขอทโทษเราไปเรื่อยเื่ยเสร็จพออยู่อยู่รู้สึกว่านี่ไงเอเจีิน่าเราเจอแล้วเขาปกติถ้าเป็นคนก็จะรู้สึกว่าเออส่งนี่ประชดเราหรือเปล่าอะไรใช่ไหมคะเขาก็จะแบบโอ้เยี่ยมไปเลยครับคุณทําได้ดีมากเลยเหมือนแบบเขาไม่รู้สึกอะไรค่ะเขาก็ล่าเลื่อยขอไปเรื่อยๆแล้วก็ เออเราจะไปเหนื่อยเออทำทตัวแบบเขาก็น่าจะดีนะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะเลยแบบว่าได้ข้อคิดค่ะพระอาจารย์ก็ดีไม่มีแล้วใช่ไหมม่มีแรลไม่มาคาพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุยงจะนำมาใช้นะคะอค่ะอ่าลูกตายังเป็นแม่ นมัสการค่ะทายการเป็นยังไงสบายดีนะแมลูกสบายดีค่ะมีอะไรไหมไม่ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะภายการโอเคก็ฝากไปปฏิบัติไปนะค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะนีสาธุจันทนมัสการค่ะอ่าคุณปุ้ยใจคนปุ้ยตารักเสมอ การมาสกักการค่ะพระอาจารย์ ค, คุณปุ้ยเองค่ะคุณปุ้ยสบายดีอืมคุณปุ้ยก็ปฏิบัติตเออเหมือนอย่างกับพี่พระอาจารยออ์สั่งสอนคือสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถือศีลค่ะแต่อาจจะไม่ได้ทำเต็มสี่ชั่วโมงแต่คุณปุ้ยทำทุกวันถือศีลเจ็ดและถือศีลแปด้งคืนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณปุ้ยก็ได้ ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนว่าถ้าเรายังมีชีวิตยอยู่เราให้ความเมตตาเราก็ให้เคขาคือให้เขาไปช่วยเหลือลูกไปโยมก็ตัดสินใจเลยเอาเงินเก็บส่วนหนึ่งให้ลูกไปเขาว่าพอดีเขามีปัญหาเรื่องรถแล้วก็ละที่ใกล้จะวันเกิดเขาเราก็เลยบอกว่าอ้าใกล้จะสามสิบแล้ววันที่ยี่สิบเก้าวันเกิดลูกเ่าสัปดาห์หน้าเขาอายุจะสามสิบโยมก็เลยบอกว่าอ่ะอันนี้ให้ไปส่วนหนึ่งเลย มเกือบครึ่งล้านบาทไทยอแล้วค่ะว่าอายุไปอายไปเลยนะเธออาไปเลยนะนแล้วเขาเข า, เขาก็เหมือนกับว่าเกรงใจเราไม่กล้าจะรับเพราะว่าเขามีความเขาไม่ได้ขอเราเราก็บอกว่าฟังไว้นะความรับผิดชอบของฉันเต็มที่อยู่จะคิดยังไงไม่สำคัญอยู่ใช้ใจอยู่วัดในตัวฉันเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็สั่งสอนเข้าไปเขาก็ใจเย็นลงค่ะเร้เราก็ โยมก็รู้สึกแบบเอ๊ ส, สบารมีของพระอาจารย์ช่วยตรอเปล่าอะออรู้เขาก็ใจเย็นลงเขาก็มีสํารว ม, มสวมํารวมกายวาจาใจมากขึ้นค่ะแล้วพอดีโยมก็โชคดีมากโยมฝันถึงพระอาจารย์มายืนโยมว่าโมเอ๊ะพระอาจารย์มามาตีหัวเราหรือเปล่าพอดีโยมฟังพระอาจารย์แล้วโยมก็นั่งสมาธินอนสมาธิหลับไปโยมก็ฝันหนึ่งพระอาจารย์โยมอเอ๊ะือว่า พระอาจารย์จะมาบอกว่าเรา่หย่อนไปโยมโยมก็กับเอดีใจได้ฝันถึงพระอาจารย์โยมก็เขียนไปบอกกับคุณหลาเี่ยไปบอกกับน้องเขาอืเดี๋ยวโยมจะให้พระอาจารย์อนุโมทนาบุญกับโยมด้วยเพราะว่าโยมทําด้วยใจบริสุทธิ์และโยมก็รู้สึกสิ่งที่พระอาจารย์สั่งสอนมันมีจริงเพราะว่าพอโยมทําไปโยมก็รู้สึกปลื้มปิติและโยมก็ไม่รู้นึกว่าเสียดายนะคะออื เพามันเพ่าะมันเป็นลูกเราไงมันจะไม่เสียดายถ้าเป็นคนอื่นจะเสียดายไหมคือถึงเป็นคนอื่นโยมก็เคยช่วยมานะคะเออโยมไม่ไม่อย่าไม่พูดเรื่องกรณีอื่นกรณีนี้เงินจำนวนเดียวกันเนี่ยถ้าให้คนอื่นนี่เราจะเสียดายไหมคือเราก็ต้องคิดแล้วอะค่ะเราก็ต้องไม่เหมือนกันนะเขาเป็นลูกเรา มันง่ายกว่าใช่ไหยให้ลูกเรามันง่ายกว่าให้คนอื่นใช่ไหมตอนแรกกะกะกะจะไม่ให้เพราะเขาดือ้อเออแล้วทีนี้พอดีคิดไปคิดไปเออเว้ยพระอาจารย์ก็สอนอยู่ว่าถ้าเกิดเราตายไปเราให้เขาแล้วเราจะได้บุญหรือว่าเราเราก็เลยอ่ะทําหนึ่งพระอาจารย์สอนดีกว่าอให้ตอนที่มันยังมีลม mm. หายใจนี่แหละจะทําบุญก็ทําตอนมีลมหายใจเนี่ยนะไม่ต้องมานั่งเบ่งสมองสมบัติอะไรให้มันซับซ้อนโ<ต>ยมย ก, ก็เลยทำมันได้น้อนกว่าให้คนอื่นนะให้คนอื่นมันจะได้มากกว่าเพราะว่า <c oughs> เราว่าเราต้องฝฟืนใจมากทีเดียวก่าที่จะมาให้คนอื่นแต่เราเห็นว่าจะเป็นจะต้องให้เขาเนี่ยแต่เขาเขาก็ดีเขาก็ไม่ได้ขอเขาก็เขาก็บอกว่าเออฉันไม่ได้ขออยู่หน้าอะไรอย่างนี้เราเราก็เลยเออโอแต่เขาก็เอ่อรู้สึกภูมิใจอ่ะให้เพิ่มปีติเพราะว่าโยมก็ซื้อของขวัญแบบเออแพงมากแล้วเราก็เขาก็ถามบอกว่าทําไมเธอจะต้องซื้อของขวัญแพงบ้าเธอรู้ไหมการซื้อของที่มีราคาเนี่ย ยูเก็บเอาไว้นะเหมือนกับยูเ e m e n t เราก็สอนเขาไปในตัวแล้วเราก็บอกว่าเออเราก็สอนธรรมะเราก็ยัดธรรมะใส่ใส่ธรรมะให้เขาไปอะ่ะให้เขารู้คุณค่า<ม>เราก็คิดว่าวันหนึ่งค่ะการปฏิบัติธรรมของเราจะทำให้เขาซึมรั์ให้เขากับกายคิดดีขึ้นนะคะดีดีทำไปนะโอเคนะมีอะไรไายมก็ทา โยมไม่มีคะโยมจะมาถวายบุญกับพระอาจารย์โยมก็ทาร่วมบุญไปหลายที่นะคะจะได้ันเกิดพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวโยมจะไปร่วมเปลี่ยนไม่งินได้ไหมอยากบุญอะไอยากบุญพี่ยมก็เลบอกว่าเดี๋ยวโยมจะไปร่วมไสองมูมเันเกิดพระอาจารย์อันนี้เพิ่มเงนอันนี้เพิ่มนะเยวจไม่่ยัโยมก็ต้องไปโยมบอกโยม พระอาจารย์คะเอ่อวันที่สองนี่พระอาจารย์กี่อายุกี่กีพ่พรรษานะฮะออันนี้ต้องไปค้นหาเองอันนี้เป็น <วะ S 1> เป็นโฆษณรรมเป็นพิษณาธรรมเดี๋ายวจะให้หวเนี๋ย <laughs> ไปค้นหาด้วยเองไปอาดูยงยงเห็นละ่ละเยี่สิแปดอ่ะ ค่ะยมไม่มีอะไรค่ะยมปฏิบัติทุกที่ถามว่ามันออกไปแล้วอ๋อเงินที่แล้วมันออกไปแล้วเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยใช่ยมทราบยมทราบยมยมยมก็ไม่มีอะไรมากค่ะยมก็อยู่แล้วแทงงินได้นี้เจ๊งแน่แน่รับประกันได้ยมยมที่หวั่นถึงพระอาจารย์ยมก็เลยไปซื้อหวยยมยมก็อยู่ตัวกินนะ ถูกกินค่ะไม่เป็นไรค่ะน่ช่วยช่วยบุญเชื่อทำบุญไปแล้วกันนะช่วยชาติค่ะโยงปฏิบัติเงียบค่ะอยู่อย่างสงบืไม่มีอะไรมากก็ไม่มีใครไม่มีปัญหาอะไรค่ะดีจ้าสาธุใช่ค่ะขอจับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงก็ขอน้อมรับพลังบุญค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์พัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะสาธุ ขอใคุณปุ้ยอยู่ไนานๆมีความสุขมากๆนะค่ะข อ, ขอพระอาจารย์ขออย่างหนึง่งจี<ม>ขอให้คุณปุ้ยอย่าขี้เกียจอะ่ะขอให้คุณปุ้ยได้ยานบารมีทีอะ่ะเอาเลยขอให้ขยันเต็มที่เลยสาธุจเจ้าค่ะ่ะแบบที่คุณเอกต่อพบกับนักสการพระอาจารย์ครับผมอือครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเข้ามารับฟังครับอาจารย์ครับก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้สั่งได้สอนไว้ครับอาจารย์ครับโอเคครับที่ทําต่อไปนะครับผมกำลังจะถึงจุดหมายปลายทางนั้ใจืก่อนันตายนะยังได้ยังหนึ่งครับผมทุกวันก็แบบฝึกฝึกแปลว่าเหมือนกับว่าให้สมมุติว่าตายเลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับเช้าเช้านี้ครับอาจารย์ครับให้อยู่นั่งไปประมาณ ก็ตื่นมาตีสี่ก็อยู่ประมาณถึงหกโมอาจารย์ครับก็ทนอยู่จนถึงหกโมงครับครับโอเคทำให้เต็มที่ตอนนี้ยังทําได้ทําให้เต็มที่ครับนะเดี๋ยวจะมาเสียใจในภายหลังเวลาไม่มีเวลาเราจะมาบ่นมาเสียดายไม่ได้ทําเลยอือครับไปบะเต็มที่ครับอาจารย์ครับโอเคดีครับผมแต่ว่าผมพอาจารย์ครับคุณเซเรนตอน มาจากดินแดนของคุณแมรี่พระอาานเจ้าค่ะกันวัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูก็หนูก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็ทําไปทําร่วมบุญกรถินแล้วก็ร่ว ม, มท<ำ>ําที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์ดี <c oughs> ทำไมทําเพื่อตัวเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นบุญนี้ส่งไปให้คนอื่นไม่ได้บุญของกายบุญของมันมค่ะค่ะแล้วหนูก็ฟ่า นอกจากดวงวิญญาณนี้ก็แบ่งไปได้บ้างนิดหน่อยแต่เป็คนเป็นให้ส่งบุญให้เขาไม่ได้ต้องส่งส่งวัสดุไปส่งของไปค่ะแล้วก็โอนเงินทําบุญไปตามตามเท่าที่ทําได้อย่างเงี้ยค่ะก็ทําำไปรักษาศีลไปด้วยปฏิบัติไปด้วยอะค่ะแต่เมื่อก่อนที่พระอาจารย์เทศเรื่องการทําพนิพพานให้แจ้งอยเงี้ยค่ะหนูฟังสองรอบแล้วหนูก็รู้สึกประทับใจอ่ะค่ะแล้ว แล้วก็รู้งงคือมันมันซึ้งใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าเราเหมือนกับมาสร้างภพสร้างชาติเราจะต้องเราต้องหยุดเพื่อที่จะให้ตัดภพตัดชาติให้มันน้อยลงเรื่อยๆเราต้องหยุดความอยากจอนที่พตายเรามาเมนว่ายตายเกิดอ่ะอาจารย์อ่ะทําบุญทำทานก็ตัดความอยากแทนที่ยอมเงินไปซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ก็เอาเงินไปทําบุญดีกว่าตัดความอยากได้กระเป๋าลงไป ขาดความอยากด้านของทางไปอันไหนไม่จําเป็นเอาใช้เงินเอไปซื้อของไม่จําเป็นเอาไปทําบุญดีกว่าส ก, กัดเนี่ยทานมีหน้าที่ไว้ส ก, กัดความอยากทุกวันนี้ก็คิดอย่างานั้นค่ะพระอาจารย์มีโอกาสก็ทําบุญเท่าที่ทําได้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ อ, อ, อย่างนี้ไม่ทำตามความอยากเพาจะเพิ่มพบเพิ่มชาติให้มากขึ้นไม่ได้น้อยลงแต่มันมันยากมากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะมันจะต้องมีสติและลึก รู้อยู่ทุกขณะจิตเลยมัน ม, มันเวลาซื้อของนี่มันมันหนเร็วนะเห็นไหมเห็นไหน่าน่ารักดูหน้าชมมันอยากได้ขึ้นมาทันทีเลยขาพระจานท์ถือว่าเออเราไม่ได้ซื้อมานานมากแล้วเราอย่างอาทิตย์ประชุมถูกว่าเออเราควรจะมีชุดเสื้อผ้าใส่ประชุมดีๆหน่อยอ ย, อย่างเงี้ยค่ะอก็ไปก็ไปซื้อมา่าค่ะอาจารย์ซื้อเสร็จเพื่ ว่าซทำไมสายไปเจอแล้วสายไปเจอแล้วเรียบร้อยแล้วแทนที่จะทํานิพพานให้แจ้งกับทํานิพพานให้มื อ, อตรงไปอ้าวตายแล้วเราไปสร้างภบสร้างชาติด้วยกันด้วยการเอ่อไปยึดติดกับสิ่งของซะแล้วอ่อไปอยากได้สิ่งของมันเพิ่มความอยากแล้วความอยากมันหมดไปมันไม่ได้เดี๋ยวมันอยากยาก็ได้ใหม่เดี๋ยวเห็นชุดใหม่ก็อยากมีข้ออ้างใหม่นะใช่ครับอาจารย์ค่ะ พอมันมีสติทีหนึ่งก็ทุกอย่างก็สายไปแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็มานั่งคิดใหม่อย่างนี้ยค่ะโอไม่ได้เราต้องปฏิบัติใหม่เราต้องเริ่มเริ่มต้นอีกทีหนึ่งต้องตั้งสติให้ตั้งมัน่นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะาาอาจารย์พยายามฝึกสติก่อนจะใช้ใจ่ายอะไรใหคิดให้ดีให้รอบคอบก่อนเอาไปทำบุญดีไหมไปทำไปทำนิพพานให้แจ้งดีกว่ามั้งตำทั้งสองทางเลยค่ะอาจารย์ <laughs> <c oughs> ค่ะอวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามแล้วคะ่ะพระอาจารย์เอเข้ามากาพร ะ, ะ อ, อาจารย์นะคะขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะช่วงนี้แถวนั้นแถววัดแถวแถวที่อยู่นั้นมีกรถินยังทุกวันหรือเปล่ามีค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วหนูก็ไปที่วัดไทยดีซีอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่เกรกถิ่นพระราชทานเหมือนกันนะคะพระอาจารย์คนไปเยอะไหมมันมันเนื่องมาจากหนูคิดว่ามีวัดมีวัดมากขึ้นนะคะในช่วงหลัง เลยกระจายกันไปไม่ไม่ได้ไปประจุกตัวอยู่วันเดียวใช่ค่ะพอเข้าอยู่ในโบสถ์หนูก็รู้สึกว่าทําไมคนน้อยแต่ว่าพอพอมาเดินออกมาก็เออก็มีก็มีพอสมควรนะคะแต่หนูคิดว่าปีก่อนๆหน้านี้มีมากกว่านี้อะคะ่ะวัดที่เราไปเที่ก็ต้องมีพระห้าลูกขึ้นไปใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์ก็จะไปเชิญเอ่ไปนิมนต์พัดพระจากวัดต่างรัฐมาบัดดางใาะ ว, วแต่ละวัดเองก็มีแค่ว่าองสององเป็นส่วนใหญ่ ยังวัดไทยดีซีหนูว่าก็มีแปดเก้าองค์ได้นะคะรอ า, าจารยา์วัดใหญ่วัดใหญ่ค่ะวัดวัดที่นี่เป็นวัดแรกๆของอาทางฝั่งอีสต์โคสไว้คะอืมค่ะรอาจารย์นสนับสนุนนะสนับสนุนวัดให้วัดตั้งอยู่ได้นานๆจะได้เป็นที่พึ่งของชาวชายชาวพุทธที่ไปอยู่ต่างประเทศค่ะเพราะหลวงตาที่ท่านออมอยู่ที่นี่ท่านก็อายุร้อยหนึ่งปีแล้วอะค่ะ Mm hmm. ท่านก็บอกว่าถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษได้ท่านก็จะสามารถเผยแผ่ธรรมะได้มากกว่านี้ mm hmm. แต่ตอนนี้แต่ว่าอาพระองค์อื่นท่านก็มีมีมีมีฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษที่วัดนะคะ mm hmm. อย่างอาทิตย์นี้ก็จะไปช่วยไปช่วยเขาอย่างเงี้ยคะ่ะในวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยคะ่ะ mm hmm. ไปช่วยเป็นครูแต่เขายังเด็กมากเลยนะคะแต่ก็คือเหมือนกับไปช่วยว่าเขาต้องการอะไรให้เราช่วยได้บ้างอย่างเงี้ยคะ่ะอ mm ืมอ่าโอเค ครับ<ท>ขอบคุณพระอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะคุณซันนี่แบงค์ก็วันนี้ทาร่วงมนนั้นบอกกันแม่มเห็นว่าวันนี้ลงหกปอร์เซ็นเนี่ยใช่ค่ะพระอาจารย์วันนี้ตกเหว่าค่ะเมื่อวานกับวันนี้ค่ะพระอาจารย์อืมเป็นลมว่ะ <c oughs> เป็ น, นมลมว่ะคุณแม่อยู่บนดอยเรียบร้อยค่ะพระอาจารย์ นอนเคลียดอยู่ค่ะปวแกก็ปวดเนี่ยว่าไม่เชื่อพระอาจารย์จะต้งร่วงเลยแต่กิเลสไม่ยาวเลยนึกว่าจะขึ้นต่ออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดีจะได้มีจะได้มีอะไรย้ำยั้งกิเลสมัางไม่ั้นมันจะบ้านปลายไปเลย แต่ก็บอกว่าก็ให้ถือยาวไว้ก็ได้เพราะว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้แหละอะไรงนี้เดี๋ยวพวกนี้ลงอีกหนอยิ่งยิ่งเครียดใหญ่ไว้ไม่ได้เลยนี่แ่เออพระอาจา ร, รย์ให้ให้คติหรือกำลังใจคุณแม่ไหนได้ไหมคะอ๋อไม่ขึ้นไม่ลงแล้วกันคุณแม่เดี๋ยวลงมันก็ต้องขึ้นเดี๋ยวขึ้นมันก็ต้องลงอ่อ โลกธรรมยิง่งราบยศสรรเสริญสุนมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาค่ะพระอาจารย์ตอนแรกคุณแม่บอกว่าเออไม่ต้องบอกพระอาจารย์นะอาอายคะ่ะแต่พระอาจารย์ไม่ถามเขินค่ะแม่เขาเขินโอเคมีอะไรัหมเรา หนูไม่มียังไม่มีคำถามค่ะสัปดาห์นี้ก็แล้วธรรมะดีก <c oughs> ว่าธรรมะบทแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงย่งยืนเท า, า<ร>อยคือธรรมะนะร่างกาสารเสืส่เป็นของชั่วขราวแต่ธรรมะในเป็นของย่งยืนไปกับเราอยู่กับเราไปตลอดค่ะพระอาจารย์หนูจะพยายามให้ดีที่สุดค่ะอืมดีโอเคสาคุณหมอพาฒนาเชิญ ก่อนนมัสการสาวพระอาจารย์ก็ยังคงปฏิบัตินะคะยังสงบแล้วก็รู้สึกดีล้มเย็นอยู่พระอาจารย์ก็ได้เย็นนะค่ะไม่สนใจเรื่องทองคํำเลยใช่ไหมโอ้ยพระอาจารย์มันมันพอแล้วอ่ะพอแล้วนะลูกดอกจากโลกมาทําได้แล้วนะราดยุสุรุสุรุสุคนี่เห็นชาตนเห็นชาติแล้วช่ว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมลาลาอาจารย์ไม่เอาล่ะนี่ มันคือรู้สึกว่าต้องขอบคุณพระอาจารย์เลยนะคะมันสงบร่มเย็นมากเลยพระอาจารย์ไม่สนใจสนใจแต่ว่าเอ๊เดี๋ยวเดือนหน้าลูกเรากระ บ, บี่ก็คงจะหมดแล้วค่ะก็คือขนาดเสื้อเสื้อใหม่รับปริญญาลูกก็ไม่ได้ซื้อนะพระอาจารย์โชคดีมากเลยพระอาจารย์กินมื้อเดียวเนี่ยพระอาจารย์ใส่ชุดเก่าอ่ะเสื้อมันที่ไม่คิดว่าจะใส่ได้อ่ะเดี๋ยวยี่สิบสี่เอามาใส่ได้พระอาจารย์โง่ไม่ได้ซื้อใหม่ค่ะ <laughs> เดือนหน้าก็พอลูกเราวก็บีเสร็จ ก, ก็เดี๋ยวค่อยไปวัดกันนะคะ ที่หนุ่มก็ตั้งใจทำมากขึ้นเรื่อยๆขอขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะมันสงบ แ, แล้วล่องลอมากๆเลยพระอาจารย์ดีมากๆครับคุณมาริการ์เดนจับน้ำตาลเจ้าขาอาจารย์ก็ก็ได้เจริญสติอยู่ต้องเจริญสมาธิต้องตื่นจนหลับนะนนอย่าเผลอใช่เจ้าขาบางทีก็ ความม่วงก็มันมีปัญหาเป็นกันที่ทําให้เขาดสติไปตรงนั้นแต่บางครั้งมันก็เกิดแบบมันมันมีความกติในใจนะคะพ่อจันว่าเออนะการตัดกิเลสตรงนี้มันง่ายนิดเดียวแต่พอแป๊เดียวมันก็มันก็เอาใหม่อีกมีความอยากมีอะไรขึ้นมาใหม่อีกดิเลนม่นมาหลอกนะว่านก็ดีนี่ก็ดีฮะ ถ้าใครก็เราอกว่าอน้มันคิดว่ามันจะง่ายก็มันก็ไม่ได้ง่ายแต่บางทีก็เออมันก็เออน้ามันก็ยังมันไอตัวนี้คือการลังเลสงสัยใช่ไหมเจ้าป้าจ่าก็ได้เรยกว่าลังเลสงสัยก็ได้ก็คือหมายถึงว่าคล้ายๆกับว่าเออมันง่ายนิดเดียวแต่ทําไมเราทําไม่ได้ไอประมาณนั้นอืม แต่ส่วนอื่นนั้นท ำ, ทำไม่ได้เพราะเพราะปัญญาเราไม่ทันมันไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ยังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่การการตัดตรงนี้ก็คือตรงจะต้องมีสติควบคุมมันอยู่ตลอดเวลาเราต้องต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเห็นรู้ว่ามันเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความคิดมันก็จะผุดขึ้นมาแล้วก็มันก็บางทีมันก็ ทำให้เราเกิดความทุกข์โดยที่จะสนองปัญหาความอยากของเราเจ้ า, าพระอาจารย์ดูมันอช่มันเกิด้ามันคิดไปทําความอยากมันก็ทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกจะพยายามที่จะปฏิบัติต้องคิดไปในทางไม่อ ย, า, อยากเชื่อไม่อยากได้เลยรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรอยากอยู่เฉยๆอยากไม่มีอะไร เจ้าค่ะผู้จ่า <Okay. S 2> นก็น้อมรับคําสอนมาปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะอา้จ่านสาธุเจ้าค่ะมอสุตัจเนปทุมธานีเป็นยังไงสบายดีสบายดีเจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะท่านผาจารทุก อ, อย่างเรียบร้อยดีทั้งข้างในทั้งข้าเราได้เจ้าค่ะข้างนอกก็ดีข้งางใก็สงบนะเจ้าค่ะท่านผูาจารโอเค ขอบคุณค่ะก่อนมาเลยต่ออันนี้ยที่ไหนอยที่บ้านเนะี่ยที่นครนายกนะาอ่ะใช่ค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้กลับมานครนายกข้าวหนึ่งแกวันนี้วันหยุดนะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันที่ที่สามนะค่ะเป็นวันหยุดก็ mm hmm. เลยกลับมาพอดีวันนี้ได้เข้าเร็ว มีอะไรไหมก็ไม่ไม่มีคําถามยังปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพยายามพิสูจน์ว่าปัญญาของเราเป็นปัญญาแท้หรือไม่นะปัญญาทางทฤษฎีกับปัญญาทางปฏิบัติมันยังไม่เหมือนกันนะทางทฤษฎีก็ปล่อยได้แต่ทางปฏิบัติจะปล่อยได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้ะ ต้องเจอเหตุการณ์ข้หลวงพ่อแต่ก็พยายามเตรียมตัวไว้ก่อนข้าหลวงพ่ออย่าไปทุกข์กับอะไรถ้าถ้าไม่ถ้าอยากจะสอบผ่านก็ต้องไม่ทุกข์กับอะไรข้าหลวงพยายามพยายามอะไรที่วิ่งเข้ามาก็คือรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ปล่อยอ่ะค่ะหลวงพ่อไม่ไม่เก็บเข้ามาขังไว้ข้างในใจก็จะรู้สึกโล่ง ขาดหลวงพ่อแล้วก็ฝึกสติทุกวันปฏิบัติทุกวันแล้วก็มันทําให้เหมือนสมาธิมันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะหลวงพ่อบำเบกขาเยอะมากขึ้นปล่อยวางง่ายๆขึ้นขาดหลวงพ่อรู้สึกมองอะไรก็เหมือนแบบก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อเหมือนแบบเราเร า, เราไม่ได้สักแต่ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็ น, หนได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินะ่อ ค่ะก็ <คน S 1> มีทออั้งทั้งีทั้งไม่ดีเข้ามาแต่ว่าก็ไม่ก็ปล่อยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็รู้สึกว่าโล่งใจค่ะหลวงพ่ออืมมันเป็นหน้าตามันเป็นอ น, นิจจามาแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ห้ามไดีอย่างน่ทันนี้ก่อนนะค่ะหลวงพ่อกลับเพระว่าคุณเับเอ่าคุณหมออาจารย์คุณหม อ, หมอรุ่งแรง เป็นยังไงการปฏิบัติเข้มขนขึ้นไหมเข้มข้มนขึ้นครับอาจารย์แต่ผมมีคําถามครับคือสัปดาห์เนี้ยงานเยอะประชุมเยอะครับพระอาจารย์แล้วพอเราก็พยายามกําหนดสตินะครับแต่พอตอนประชุมมันก็ต้องคิดเรื่องประชุมคิดเรื่องทํางานแต่พอพอวันไหนที่ทํางานเยอะวันนั้นมันจะรู้สึกใจมันไม่ได้เบาสบายเหมือนเหมือนวันที่เรา เราทำงานนเราทางานน้อยกว่าครับอาจารย์แล้วปฏิบัติมากกว่าเขาใช่เพราะว่างานมันจะทำให้เราต้องต้องมีความวิตกกังวลหงยายๆะไรต่างเว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่ก็ดีนะครับอาจารย์เพราะว่าอย่างตอนที่ผมเอ่อพอพอรู้ว่ามันเหนื่อยหรือว่าผมว่ารู้สึกใจมันไม่เบาสบายครับตอนเนี้ยพอเราเราปฏิบัตินั่งสามาธิมามากขึ้นเรื่อยๆ พอกลับมานั่งเนี่ยก็ประมาณสิบสิบห้านาทีอครับพระอาจารย์มันก็จะเริ่มเบาสบายแล้วก็จะเริ่มเริ่มที่เขาสุขะครับพระอาจารย์<ม>แต่ถามว่าวันไหนถ้าคิดมากทํางานมากก็จะไม่ได้มีความสงบสุขเท่ากับวันที่วันที่นั่งสมาธิมากกว่านะครับอาจารย์หรือวันที่พุโทโธได้ทั้งวันมากกว่าครับใช่ครับการปฏิบัติอย่างยิ่งได้ผลดีต้องเป็นเปวิป่งวิ่งทาดีครับครับ ผมผมก็ไปดูที่วัดแล้วนะครับอาจารย์ผมอยู่ที่ปทุมธานีก็ไปดูที่วัดที่เป็นวัดที่เงียบๆครับอาจารย์เพราะว่าบางทีผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาถึงวัดพระอาจารย์แหละนะครับก็การวันที่น่าจะไปอยู่ในโบสถ์ทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับวันไหนก็ได้ที่มันสงบครับอาจารย์วันที่ไม่ทํางานเนี่ยครับสมมติวันเสาร์อะไรเงี้ยนะครับก็ได้เทวทิวัตปฐมนารามก็ไปที่ปฏิบัติครับอาจารย์ ที่คนก็สามารถเข้าไปนั่งสมาธิแบบ่งจอง ก, กลมได้ที่วัดประถุมนะครับพระอาจารย์ อ, อยู่ใ ก, กล้กับกรมตำรวจนะครับพระอาจารย์บอกกว่าจะไปไปนั่งนั่งทั้งวันนะครับวันหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเออมันต้องปฏิบัติไม่ให้ย่อหย่อนะครับอาจารย์ถ้าวันไหนเราไปสนใจห่วงงานมากวันนั้นก็ไม่มีความสุขมากก็ะจะไม่อสบายเหมือนช่วงที่เราทําได้ทั้งวันนะครับ อ, อย่างสัปดาห์เนี้หนึ่งสัปดาห์วันที่นั่งปฏิบัติเยอะๆ นั่งทาเต็มที่แล้วเนี่ยเช้าจนค่าเนี่ยวันนั้นก็จะปิติใจมีความสุขเหมือนเราใจมันเบาสบายลอยครับพระอาจารย์เหมือนนั่นร้านนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งก็มีความสุขมากแต่อย่างสองวันสองวันเนี่ยครับพระอาจารย์ก็จะอมันเหมือนกับใจมันไม่เบาเหมือนเดิมครับอาจารย์เพราะมันคิดแตกมันไม่สงบมันไม่ครับพระอาจารย์แต่ตอนที่พอเวลาผมพยายามอย่างตอนจะเข้ารายการเลยก็ตามก็นั่งนั่งพุทโธพุทโธตลอดนะครับอาจารย์ ก็ดีขึ้นเพราะเทียบกับสมัยก่อนกว่าจะเข้ามาได้ก็เข้าให้มีมใจสงบได้ใช้เวลานานครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็สิบนาทีห้านาทีก็เริ่มเบาแล้วนะครับแต่ผมได้เข้าคิดว่าต้องไปทําเต็มที่แล้วครับอาจารย์นะครั บ, <อ>รบต้องเต็มที่แลครับยิ่งทำมากเท่าไหร่ผลก็ยิ่งมากตามครับเพราะว่ามันมีช่วงช่วงสัปดาห์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาช่วงสัปดาห์นี้เริ่มรู้สึกเออมันมีบางวันเหนื่อยมากผมเลยตั้งใจ<ม>นะครับ แล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมไปกราบพระอาจารย์นะครับวันเสาร์นี้ได้ไปทําบุญครับอครับอาจารย์แล้วจะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําให้มากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์น่าจะมีช่วงได้ไปนั่งที่วัดแล้วล่ะครับอ่าครับอาจารย์ขออาจารย์พระถังแข็งแรงนะครับอุกคุณจิบจิบจากแลนแห่งแมรี่อยากในวสชการค่ะอาจารย์ยมไม่ได้มาหลายอาทิตย์เลยค่ะช่วงภาษียุ่งมากเลยค่ะอาจารย์ Mm hmm. อาจารย์สบายดีนะเจ้าคะ่ะอ่สบายดีจ้าก็ไม่มีอะไรคะ่ะเมื่อกี้เห็นมีคนบอกว่าเรื่อง AI โยมก็อ่านข่าวพอดีลูกของเพื่อนที่ทำงานนะคะเขาเขียนหนังสือของมอล์ไพอะคะ่ะของวัชชยสกูมันเป็นเรื่องที่มีเด็กอายุ16ขวบอะคะ่ะไปถามแชท GPT อะคะ่ะถามว่าเขาเป็น depression เขาจะรักษา ย, ยังไงเขาแก้ยังไงดีปรกากฏแชจ GPT แนะนำบอกว่าสุดท้ายอยู่ไปค่าตัวตายเลยแล้วเด็กเขาทาจริงนะคะ yeah. ค่ะพ่อแม่เขาคล้องอยู่นะคะตอนนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆค่ะแล้วเด็กเขาก็ทําจริงความจริงมันก็มันเครื่องจักรมันก็คิดไปตามภาษาเครื่องจักรมันไม่มีความรู้สึกผิดถูกดีชั่วใช่ค่ะโยมก็เลยมองว่าจริงๆมันไม่มีความมันเป็นเหมือนมันคอมพิวเตอร์นะคะมันเป็นภาษาโคดดิ้งมันก็จะแค่ศูนย์กับหนึ่งมันไม่มีอยู่ที่คนฟีดข้อมูลให้มันด้วย ถ้าคิดถ้าศีลนั้นทําทมันก็จะไม่กล้าทำา<ช>ํำว่าห้ามทำบาปโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่<ช>ไม่ฆ่าสาาตัตว์ตัดชีวิตเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยคะ่ะเขาเลยแบบยงมก็แบบโหยอกพ่อแม่ในะลูกยอมก็แบบประมาณอายุไล่เลี้ยง ก, กันก็แบบพ่อแม่เขาก็จะฟ้องอยู่ะคะ่ะกําลังฟ้องร้องกันอยู่นี่ก็แบบน่ากลัเหมือนกันคะ่ <ừ. S 1> ะก็เลยรู้สึกแบบบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบเทคโนโลยีมันล้ําเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เช้าเช้าอวียีก็คนกิเลสสร้างขึ้นมางั้นนะคนมีกิเลสทําขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วโยมใช่ค่ะใช่มันก็คือเอาเอากิเลสของคนมาทําเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนองกิเลสของตัวเองยิ่งเข้าไปอีกก็คิดตามกิเลสไปคิดตามประหากิเลสไปถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ค่าตัวตายใช่หมดเรื่องใช่ค่ะมันแนะนำอย่างนี้จริงๆนะคะโยมก็เลยเอ๊ะทำไมเขาไม่มีคําแบบ เหมือนกับว่าไม่ใช้ไม่มีคําแบนในการสร้างโปรแกรมว่าห้ามใช้คํานี้ อ, อ, อะไรตังเนี้ย ใ, ใช่ไหมคะเหมือนอาจารย์บอกมันอยู่ที่คนตั้งโปรแกรมจริงถ้าถ้ามีการห้ามพูดคําว่าค่าห้ามคําพูดคําว่าอะไรอะไรแบบเนี้ยคะ่ะมันก็จะบอกตามตามที่<ช>โปรแกร ม, มใช่ค่ะใช่ก็ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการแบบที่เขาต้องเอาไปพัฒนากาันใหม่ะคะ่ะเรื่องนี้เรื่องนี้มันเซนซิทีฟจริงๆค่ะค่ะ ด้วย อ, อะไรคะพระอาจารย์ยมมีเรื่องเล่าค่ะเมื่อวานยมยุ่งมากยมกลับมาถึงบ้านยมเพิ่งเห็นว่าเอา้าวทำไมต้นไม้หน้าบ้านกระถางมันหายไปยมมาดูกล้องหน้าบ้านนะคะพระอาจารย์ปรากฏว่าถูกขโมยไปต้นกระถางใหญ่มากนะคะแบบหนักมากเป็นสิบสิ บ, สบกิโลอ่ะ ม, มีคนมาขโมยตั้งแต่วันเสาร์ว่ะคะ่ะพระอาจารย์มยมเลยแบบโอย นาดต้นมะกรูดของโยมมูลศาก์ประกบป็ะหม่มต้นมะกรูดมันคือสมบัติของชาติเหมือนกับว่าคนไทยที่มาอยู่ที่อเมริกามันคือเหมือนกับของมันต้องมีอะเฮโยเข้าบ้านไม่ทานค่ะว่านั่นมากว่าหลายโยมเจ็บใช่ไหมคะพอมาสังเกตเอา้ามันถูกขโมยไปตั้งแต่วันวันเสาร์แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแจ้งความตำรวจก็มาถามวูยูลค่าเท่าไหร่เหรอโยก็แบบ มันต้องไม่เยอะหลงร้านแต่มันมีค่าทางจิตใจมากนะอยู่มันเป็นต้นไม้ของไทยนะแล้วมันขึ้นได้เหรออยู่ที่นั่นมันก็ขึ้นเหมือนกับเราก็ต้องมาปลูกลงกระถางอะค่ะแล้วมันก็คืนนี้มันเริ่มเย็นแล้วมันก็ต้องเอาเข้าบ้านหน้าหนาวก็ต้องเอาเข้าบ้านค่ะอ๋ยู่ข้าวไม่ได้ค่ะแล้วมันตายแล้วคือโยมก็ไม่มีแรงโยกเพราะว่ากะว่าเอ๊มันหนักมากะค่ะก็เลยเออเดี๋ยวรอรอแบบ เพื่อนเพื่อนมาช่วยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะปรากฏมันหายไปโยมก็แบบพูดว่าเขาเป็นโยมมาดูวิดีโอเป็นคนแก่นะระจานรุ่นพ่อแม่โยมเนี่ยเป็นผู้หญิงอะคะ่ะแล้วก็มาไม่แบย่องย่องย่อ ง, องแล้วก็มองแล้วก็เหมือนกับมาช็อปปิ้งเลยค่ะเลือกต้องกระถางไหนดีนะเอากระถางไหนดีนะโ <c oughs> ยมก็แบบแล้วตำรวจถามว่ายูจะเข้ายูจะแบบว่าเพชาร์ทเขาไหมยูจะแบบเอตั้งเขาเรียกอะไรนะคะตั้งข้อหาเขาไหมอะไรเงะะี้ยค่ะ โยมก็บอกไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ต้นไม้แต่จริงๆมันก็คือสิ่งที่เขาไม่ควรดําเพราะว่าหน้าบ้านโยมมันไม่ใช่ทางผ่านของใครเลยมันต้องตั้งใจขับมาโดยเฉพาะมันเป็นเหมือนกับบ้านที่อยู่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแต่มันอหลังข้างในสุดอะไรเงี้ยค่ะอืมันไม่มีทางออกมันไม่มีโน้ตเอาท์ดมันคือต้องวนกลับออกไปที่เดิมเข้าทางเดียวออกทางเดียวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าโอเคจดชื่อไปให้เลยโยมก็แบบโอเคบอกว่าขอโทษนะมันอาจจะเป็นซีรีสเคสของโยมแต่ว่า แค่แบบว่าห่วงความปลอดภัยเท่านั้นเองอะไรเงี้ยค่ะอือย่างนี้ถ้าเราทาบุญทำทานไปก็แล้วกันใช่ค่ะลม <Okay. S 1> ก็บอกว่ า, าก็เลยบอกไม่ไ ม, ไม่ไม่ตั้งข้อแจ้งเข้าหาหรอกก็คือแค่อยากจะแบบเตือนเขาแต่ถ้าเกิดเขาจะขอยมไม่ว่าเลยนะเอาจริงถ้าจะขอยมก็ให้อะไรเงี้ยค่ะ mm. อืคือก็ถือว่าเออไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปถือว่าถ้าเขาปลูกแล้วมันได้ดีกว่าก็ให้เขาไปอะไรเงี้ยค่ะพียงแต่ว่ามันแบบ เออแต่มันมันแตกดีไม่เคยเจอค่ะวัดอาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะเป็นเรื่องเล่าแต่ว่าก็จะพยายามแล้วก็ไปทําบุญกระถินกับสลินทอนมาเหมือนกันค่ะอตอนนี้ช่วงนี้มีวัดทุกวัดเลยคะ่ะอาทิตย์ละวดัดอาทิตย์ละวัดค่ะที่ที่นี่ที่เมกาคะ่ะ อ, อีกสองอาทิตย์ใช่ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็จะมีวัดที่เวอร์จินเนียเป็นวัดป่าค่ะอาทิตย์เนี้ยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เป็นวัดป่าเลาอีกอาทิตย์นึ่งท่าอาจารย์เด็กดดก็บ้า ไม่ใช่ค่ะวัดวัดวัดหลงหลวงปู่น้อยที่ท่านมรณะภาพไปแล้วอะค่ะวัดป่านาชาติวัดท่านดิกนี่คือพระอาจารย์ดิกนี่อยู่ไกลจากบ้านโยมไปมันสามชั่วโมงค่ะแม็กิงตันอย่างที่แม็กิงตันใช่ใช่ค่ะต้องขับไปเกือบสามชั่วโมงอะค่ะพระอาจารย์เคยไปมาแล้วเหรอยังไม่เคยเลยค่ะอยากจะไปมากวันนั้นเพิ่งคุยกับสลินทอนเองค่ะว่าเป็นวันไหนว่างๆแล้วขับไปดีกว่าแบบไปไปไปแบบไปลองดูไป ของไปถวายเลยเห็นมีเด็กคนบอกว่ามันต้องเข้าไปในป่าคือวัดท่านอยู่ในป่าเลยอะคะ่ะเอออหมืนแบบไม่คือต้องท่านยงออกมาเดินบินธบาตนะคะเหมือนกับค่ะก็คือถ้าไม่มีไม่มีคนเข้าไปถวายก็มันก็คงไม่มีอะไรให้ฉันหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องเหมือนกับต้องเข้าไปข้างในอ่ะคะ่ะยงก็เลยว่าเดี๋ยวจะค่ะเป็นปฏิบัติจริง ๆ, ๆค่ะเลาเอาของไม่ถวายว่าก็จะเป็นของที่เก็บไว้ได้ใช่ไหม ใช่ค่ะเห็นว่านั้นเพื่อนเพื่อนของโยมเขาใส่ เ, าเขาไปแล้วเขาถ่ายรูปให้ดูในเฟ e b o o กก็จะมีพวกของแห้งผักเนื้อที่แบบแช่แข็งได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพวกแบบของที่มันเก็บไว้ได้นานๆหน่อ ย, ย, ยอะไรเงี้ยค่ะค่ะเหมือนกับพระท่านก็คงต้องทำกันเองถ้าโยมไม่แน่ใจว่าวัดนี้มีแม่ชีหรือเปล่านะคะก็เลยไม่ไม่เคยไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าพระได้มีโอกาสไปจะมาเล่าให้พระจารย์ฟังนะคะ อ่ะค่ะงั้นวันนี้ไม่มีคำถามค่ะมีแต่เรื่องมาเล่าก็เลาลึกถึงพระอาจารย์เสมอนะคะ yeah, <y> ค่ะอขอว่าอาจารย์ขอว่าอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ะ <Yeah, S 1> จะพยายามลดความอยากแล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะจ yeah, ้ะสาธุค่ะคุณหมอสาธุเชิญหลับนาำมันสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไง งานเยอะไหมงานเยอะครับแปอม่น่าจะปล่อยตัวไหลไปตามโลกเหลือเป็นิดหนึ่งครับงานเยอะไปแต่เป็นหมดเลยครับใช่แต่ว่ากระแสลมวันแรงมันกระแสน้ำน้ําเชี่ยวครับคาัไปการปัจจัยการกระทําไปเรื่อยๆเราไม่รบไม่ไม่ไม่ไม่รบกวนอะไรเราต้ไปเรื่อยๆก็สักเริ่มไม่ค่อยสงบเลยครับครับทางจากทางธรรมแล้วก็รู้ว่าเออมันก็วุ่หวายครับแม่ ก็เดี๋ยวต้องพยายามหาเวลาให้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้อะไรแบบยัยบบยงล็อกตารางเต็มไปหมดเลยครับอืมก็ตามกระแสโลกก็ทําไปเรื่อยๆมัมมม น, มน ก, ก็ไม่มีวันหมดนะครับไม่มีวันหมนที่งานทั้งรอกทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะครับใช่ครับใช่ครับก็ต้องพยายามจะต้องพยายามแบ่งจัดเวลาให้ถูกต้องครับต้องตีกรอบไว้ตีกรอบเวลาทำเท่านี้พอแล้วครับนะครับ ใช่ครับต้องต้องจัดครับไม่งั้นถ้าไม่ปล่อยไปมันก็เวลาก็ถูกใช้ไปหมดแงานแบบต้องหาเวลามาชาร์แบบนั้นนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดียเดี๋ยวต้องใช่ครับต้องก็ว่ารู้สึกวันนุ่นเริ่วุ่นวายครับเริ่มใจไม่ค่อสงบไม่ค่ใช่ครับมาชาร์จมาสามเดือนก็เยอะนะตอนให้มันบ่แล้วมั้งครับห ใช่ครับตลนเแปกออกไปก็ใช่อะไรก็ได้ตอนนี้ก็เริ่มแบบทำไปเรื่อยๆไม่หมดก็จะเริ่มแล้วไม่เฉยแล้วไม่ใช่ไม่ใฉ่แล้วครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับจบครับใช่ครับจะต้องต้องจัดเวลาครับนะฮะโอเคแต่ก็ดีครับถ้าได้เห็นว่าเออมันมันเป็นอย่างไรวันเปล่ยนแปลงของใจเป็นอย่างไรสมารถที่มันยังเสื่มได้ถ้าเป็นปัญญามันจะไม่เสื่มครับนะครับนะครับก็ปฏิบัติให้เยอะให้ไปถึงจุดนั้นตรงนั้ โอเคสาธุครับาคุณผูเป้กลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินอยู่เจ้าค่ะชัดเจนจ้าเจ้าค่ะก็ลุ่ยปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ตตามหมอวีตลอดค่ะพระอาจารย์แล้วก็ เจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็มาปฏิบัติกับพระอาจารย์เนี่แหละค่ะพระอาจารย์ปกติหนูทานยาเยอะมากนะคะพระอาจารย์แต่พอปฏิบัติแล้วแทบจะไม่ได้ทานยาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าอู๋หนูได้ของดีทำมาโอสถมีจริงะคะ่ะพระอาจารย์ตอนแรกหนูปฏิบัติช่วงแรกๆกับพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์หนูอะ่ะความฝันหนูหายหนูก็ตกใจเลยะคะ่ะพระอาจารย์หนูจำความฝันไม่ได้อ่ะคะ่ะ แล้วทีนี้พอซ่อมมุมปากหนูก็เลยเอาร่างกายหนูผ่าตัดเนี่แหละค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าฝันหายแล้วหนูจะเจ็บร่างกายหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ผลไม่ค่อยเจ็บกายค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบโอ้ตรงนี้แหละค่ะพระอาจารย์ที่หนูเห็นว่าโอ้ธรรมมาโอสถนะคะพระอาจารย์ว่ามันไม่ค่อยเจ็บกายค่ะตอนที่หนูผ่าตัดซ่อมมุมปาก เอามาใช้ได้จริงค่ะพระอาจารย์ดีค่ะหนูก็เลยว่าโอ้หนูก็เลยดีใจที่แบบปฏิบัติแล้วเจอจริงๆริงอะคะ่ะหนูก็เลยต้องดได้จากการฟังทำด้วยค่ะพระอาจารย์โอ้ก็เลยฟังฟังโอ้แบบฟังหลายอย่างคะ่ะแต่พอมาฟังพระอาจารย์เนี้ยแหะคะ่ะหนูก็เลยแบบโอ้เจอของจริงก็เลยเอาร่างกายไปผ่าเลยค่ะพระอาจารย์ เพราะามันไม่ค่อยอะไรไม่กลัวความตายแล้วค่ะพระอาจารย์ก็แต่มันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บปวดมากค่ะพระอาจารย์ใช่พใจเราไม่เจ็บแล้วร่างกายมันก็จะไม่เป็นปัญหาเลยความเจ็บส่วนใหญ่อยู่ที่ใจของเรา อเอ้าค่ะพระอาจารย์พอหนูไปทำเอมอารไอต่ก่อนหนูจะปวดกระโหลกมากเวลานอนทำระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปทำเอ็มอารอนานๆมันดันไม่ค่อยปวดกระโหลกค่ะ<อ>หนูก็เลยว่าโอ้ไม่ค่อยอะไรกับร่างกายจริงค่ะเด็ดหนุกต่อไปปฏิบัติต่อไปนะอเอ้าค่ะพระอาจารย์ต้องปฏิบัติช้าใจา เ, ะะาจาเข้าสมาธิเลยละค่ะพระอาจารย์เข้าสมาธิบ่อยๆแล้วใจจะวางเฉยได้ แล้วค่ะพอใครไม่ถูกใจหลับตาเข้าสมาธิเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่อยากมีปัญหาอะไรค่ะดีวิธีต่อสู้กับมาดีที่สุดก็คือย อ, ย, ย, ย, ยอมหยุดเย็นนะยอมหยุดเย็นยอมแพ้หยุดต่อสู้ไหวให้เขาไปทำอะไรไปตามเรื่องเขาแ้า้งค่ะพระอาจารย์โอเคลาทุกค่ะอ่าน้เา่เอ๋อต่อ่รายงานเอไอแล้วเนี่ย การนวัต ก, กรรมค่พระอาจารย์วันนี้เอองมีสองเรื่องค่ะเรื่องแรกคือเอ่อต้องบอกก่อนว่าเอองดีใจที่ได้ยินที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้กับพี่จูบค่ะพระอาจารย์บอกว่าเออแบบกายมันไม่รู้สึกหรอกพอดีว่าเอ่อถือว่าเป็นการรายงานด้วยละกันนะคะก็คือว่าพอเหมือนเอองดูกายดูใจของตัวเองตลอดอะคะ่ะหมายถึงแบบว่าพยายามดูกายดูใจของตัวเองตลอดแล้วเหมือนเอองก็ เกิดสังเกตกายของตัวเองนั่นแหะค่ะว่าจริงๆแล้วว่าตาของเราเนี่ยมันก็มีหน้าที่ดูมันไม่ได้บอกว่าอันนี้ชอบหรือไม่ชอบหูมันมีหน้าที่ฟังมันไม่ได้มีหน้าที่บอกอันนี้ฉันชอบเสียงนี้หรือฉันไม่ชอบเสียงนี้ค่ะซึ่งเอิงไม่แน่ใจว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่พระอาจารย์พูดกับพิ่จุว่าเอิจริงๆกายมันไม่ได้รู้สึกอะไรหรือชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เอิงสังเกตกับตัวเอิงเองแล้วก็ได้ยินที่พระอาจารย์พูดวันนี้ค่ะ ร่างกายก็มันโต๊เก้าอี้เนี่ยโต๊ะเก้าอี้มันรู้มันรู้สึกอะไรนะไม่รู้สึกอะไรร่างกายมันก็ไม่รู้สึกว่ามันหิวเวลามันหิวมันก็ไม่รู้ว่ามันหิวไอตัวที่รู้ก็คือใจไปรับรู้แทนร่างกายแล้วก็ไปเดือดร้อนแทนร่างกายค่ะเพราะสาเหตุเพราะว่าก่อนหน้านั้นแบบเหมือนเพราะเราไม่ได้แยกกายกับใจใช่ไหมค่ะพระาจารย์ในเป็นรวมรวมกันแบบว่าเป็นเราเป็นตัวเราของเรา ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอิ้งจะสังเกตกับตัวเอิงเองค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเอไนี่นแหละค่ะก็คือว่าเอามาตอบคําถามที่อาทิตย์ที่แล้วเองิงไม่ได้เข้ามาค่ะไม่รู้ว่าพระอาจารย์ยังจําได้ไหมที่พระอาจารย์บอกว่าเนี่ยเราว่าเรื่องหนึ่งที่เออมันเราเห็นไม่ตรงกับเออคือพระอาจารย์เออมันบอกว่าให้เราแผ่เมตตาให้ร่างกายอะค่ะแล้วเอิงก็บอกว่าเออข้อเนี้ยเอิงก็ ติงว่าแบบเออเรื่องแผ่เมตตาให้ร่างกายเนี่ยข้อนี้เราจาเป็นต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยหรอแผ่ให้ทำไมร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอกว่าเออว่าแผ่หรือไม่แผ่แค่ดูแลรักษาร่างกายอย่าไปทำลายร่างกายเวลาร่างกายป่วยใช้ธรรมโอสถรักษาใจแม้กายจะป่วยก็ยอมรับแต่ใจไม่ทุกแลวเอิงก็ ถามมันย้ำที่พระอาจารย์ให้ถามว่าที่พูดมาเนี่ยถูกไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็บอกว่าเนี่ยเข้าใจได้ลึกซึ้งมากเลยนะคือสรุปแล้วมันก็ เ, เห็นด้วยกับเราอะคะ่ะ<ม>เห็นด้วยในสิ่งที่พระอาจารย์แยงว่าแบบเอแบบเอจะแผ้ให้ทำไมอะไรเงี้ยค่ะ ประมาณนั้นแล้วก็พอพี่เขาพูดถึงข่าว AI อะคะ่ะเหมือนเหมือนเอิงก็เป็นคนนึงที่ใช้ AI แต่ว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันขนาดนั้นค่ะก็ <c oughs> ใช้ในการค้นหาข้อมูลอะไรเงี้ยเหมือนเอิงก็เหมือนมีความเข้าใจใน AI ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันเหมือนกับมนุษย์ที่ว่ า, ามันใช้สัญญากับสังขารเพราะว่ามันเซฟสัญญาจากที่เราให้มันนะคะแล้วมันก็ปรุงแต่งมาบอกเรา ม, มันก็น่าจะ อยู่ที่ อ, อยู่ที่สัญญาที่มันมีอยู่<อ>ถ้ามีสัญญาบอกให้ฆ่าตัวตายมันก็จะบอกให้ฆ่าตัวตายค่ะถ้ามีสัญญาบอกห้ามฆ่าตัวตายมันก็จะไม่บอกว่าห้ามฆ่าตัวตายค่ะประมาณนี้ปร่านี้ก็ <laughs> มันก็ต้องระวังใช่นะมันก็อย่าไปเชื่อมันรอยเปอร์เซ็นต์นะก็ ใช้หลักการมสูตร <c oughs> ใช่ไมครับคิดว่มันเหมือนเครื่องคิดเลขมันช่วยลดเวลาที่เราจะต้องเสียเวลาการคิดเลขนงมันจะลดเวลาของการที่ต้องไปค้นหาข้อมูลในในอินเทอร์เน็ตเองมันช่วยหาให้เราแต่เราต้องมากรองอีกทีต้องพิจารณาอีกทีเหมือนการละมวลสูตรพละพุทธเจ้าบอกอย่าไปเชื่อทันทีทันใดต้องมากลั่นกรองมาพิสูจน์อีกทีว่าสิ่งที่มันบอกเรานี่จริงหรือไม่จริงอื ค่ขะขรอาจารย์วันนี้ก็มีแค่เท่านี้ค่ะดีโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะโอเคไม่มีก็เดี๋ยวไปที่คุณหล้าต่อเวลาประมาณนิดหน่อยอกลาบนมาสการครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกลาบนรมาสการพระอาจารย์ครับขอสอบถามพระอาจารย์ว่า ขันทั้งห้าเราต้องพยายามละสองขันคือกายและเวทนาหรือเราต้องละทั้งห้าขันครับคือเวทนามันกับกับอีกสามขันมันมามันมาเป็นทีมไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามาขันแล้วตัวที่มันเด่นที่สุดก็คือตัวตัวเวทนาตัวที่มันเป็นปัญหาสร้างความให้เราทุกข์กมันมากที่สุดก็คือตัวเวทนา ถ้าเราจัดการกับตัวเวทนาได้เรากวท่าบับจัดการกับตัวอื่นได้เพราะมันงานร่วมกันเป็นทีมส่วนร่างการมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มัน ม, มันไม่มไม่ได้เกี่ยวกับว่าขันทั้งสี่เราก็ต้องเราก็ลองพิจ า, า, ารณาร่ากายแยกออกไปส่วนน้ำขันเราก็พิจารณาแค่เวทนาตัวเดียวก็พอคําถามสุดท้ายถ้ามีปัญหาเรื่องข้อเข่าจําเป็นไหมครับ ที่ต้องฝืนนั่งขัดสมาธิภาวนาครับสามารถเปลี่ยนเป็นท่าอื่นได้ไหมครับกราบขอบพระคุณครับก <istance> ็อยู่ที่เราว่าเราต้องการนั่งแบบไหนถ้าเราต้องการนั่งเพื่อปล่อยวางความเจ็บเราก็ปล่อยให้มันเจ็บไปดูสิว่าเราปล่อยวางมันได้ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปทำข้อสอบ LM. เราก็เป็นเราก็นั่งในท่าที่ยังไม่มีความเจ็บก็ได้นะ บางครั้งเราอยากจะทดสอบใจว่าเราปล่อยวางความเจ็บได้หรือเปล่าเมื่อมันมีความเจ็บเราก็ลองปล่อยมันดูซิเราไปทุกข์กับมันหรือไม่ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไปยึดติดกับความเจ็บอยู่เรางอย่างให้มันหายอยู่อย่างๆให้มันไม่ไม่เจ็บอยู่ต่อไปเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราไม่สามารถที่จะไปทําให้มันหายได้เราก็จะทรมานถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับความเจ็บได้ แต่ถ้าเราฝึกไว้ก่อนตอนนี้เวลามีความเจ็บแล้วก็อย่าไปห น, นีมันอย่าอย่าไปอยากให้มันหายทําใจให้นิ่งเฉยเยให้อยู่กับมันไปมองให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเป็นสภาวะธรรมที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ถ้าเราอยู่กับมันได้แล้วต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทรมานจนอยู่ความเจ็บปวดอยู่กับความเจ็บปบวดได้โอเคนะหมดแนละ้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ